ก็พอเป็นทั้งคนโศกชาวาโศกชุมชนโศกความสามารถของอโศกนะครับทั้งคนทั้งระบบงานทั้งอะไรที่เป็นจุดเด่นไม่รู้นะครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวคุมครับคุมครับเอาสามนาทีก่อนถ้าเป็นไปได้เอาจุดให้พูดทั้งจุดเด่นจุดด้อยเ อ, เอาจุดเด่นก่อนดีกว่าจุดเด่นก่อนดีกว่า จุดเด่นนะครับเอาจุดเด่นก่อนแล้วจุดด้อยเดี๋ยวค่อยค่อยเพราะจุดด้อยต้องพูดยาวหน่อยอาจารย์ครับาสามนาทีไหมถึงทั้งสงทั้งสองอันทั้งจุดแข็งจุดอ่อนเฉพาะจุดเด่นก่อนเฉพาะ <พอ S 2> จุดเด่นเนี่ยใหอ เ, อเอาอันดับหนึ่งของทุกคนเนี่ยไปติดแบบ บ, บนกระดานนะครับเอาจุดเด่นก่อนพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับต้องอธิบายประกอบนะบแต่ยาวไปเฉยสั้นกระชัดดี <laughs> เพราะว่าจุดเด่นเนี่ยบางทีเด่นจริงไม่จริงต้องถามพพวกเราด้วยนะเพราะว่า เชิญครับจุดเด่นเอาเอาใครก่อนเอาไล่ดึงสองสามสี่ห้าไปแล้วกันกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มการศึกษาโอยังไม่เสร็จใน ก, การศึกษาเสร็จหอยังครับอย่างนั้นเอากลุ่มที่อยู่พร้อมเอากลุ่มซ้ายไปขวาเลยเอากลุ่มสื่อครั บ, อ, รบอธิบายบัตรคำด้วยนะครั บ, ค, รบค่ะจุดด้อ ย, ยังไม่เอาครับค่ะอัน่ไปนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสื่อนะคะสื่อของเราพี่น้องก็คงจะ ทราบแล้วว่าเรามีสื่อหลายแบบนะคะมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีสื่ อ, ว, อวิทยุนะคะเราแบ่งจุดเด่นออกเป็นศินเด่นเออสินเคร่งเก่งงานแล้วก็ํานานวิชานะคะสินเคร่งก็คือเราเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ทำด้วยการใช้แรงกายอย่างเดียวแต่เราใช้จิตในการทํางานนะคะจิตในการทํางานด้วยการที่เราจิตเรามีธรรมะนะคะ จิตมีธรรมะธรรมะที่เราได้ได้จากไหนก็คือได้จากพ่อครูคือพระโพธิสัตว์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกของพระโพธิสัตว์นะคะเราเราเราทำงานก็คือผลงานออกมานั้นจะจะออกมาในใ น, ในแนวศีลธรรมนะคะในแนวธรรมะเรื่องเรื่องที่สองเก่งงานคนเก่งของเราเนี่ยคน ทีมงานของเรานะคะจะเก่งนะคะอย่างเวลาออกไปออกไปทํางานข้างนอกเนี่ย เ, เราใช้คนแค่2อสคนเองใช่ไหมคะในขณะที่ถ้าเป็นสื่อสื่อโดยทั่วไปสื่อฟรีทีวีอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้คนเยอะนะคะเยอะกว่าเรามากก็เราจะรายงานความจริงนะคะความบอกก็สโลแกนของเราคือทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงใช่ไหมคะแรงงานฟรีนะคะแรงงานของเรา มีค่าตอบแทนคือศูนย์บาทนะคะแล้วเราไม่มียศไม่มีตำแหน่งให้มีแต่ค่าวัดกินกันใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกมาว่านอกจากเราจะได้ศูนย์บาทแต่เราจะได้ไปถึงศูนญตานะคะกับชำนาญวิชาก็คือจะมีอิสระนะคะเพราะเราอิสระในการในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเรารับโฆษณาเนี่ยนะคะแล้วต้องมาเป็นทาสของคนที่จ้างให้เราโฆษณ า, ถ, าถ้าต้องเป็นทาสคนที่จ้างใหเราโฆษณาเราก็ไม่ทํางานใช่ไหมคะเราก็เลือกเลือกที่จะทำเพื่อเพื่อเพื่อให้มีเพื่อให้มีไม่ไม่ไม่ใช่มีไรายได้อย่างเดียวคะ่ะแต่เพื่อ เพื่อเพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางนะคะก็ค่ะ <laughs> นำเสนอได้เร็วมีเสียงกระซิบจากเกียวขึ้นนะคะก็ <laughs> นาเสนอได้เร็วแล้วก็เข้า <laughs> ถึงประชาชนอย่างกว้างขวางสรุปแล้วก็คือสื่อของเรานี่มีทั้งสิ่งแก่ง้งเก่งงานและชำนาญวิชาค่ะขอบพระคุณคะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ที่บแบบอโศกแต่ผมจะถามแบบคนไม่ใช่อโศกดูภาพนั้นครับ สื่อเนี่ยสำคัญเขาบอกว่าผมไม่ได้เรียนสื่อนะสําคัญ3มเรื่องใช่ไหมคือคนถามว่าคนอโศกเก่งไหมครับเก่งค่ะก็เอามามาติดเรื่องคนสรุปว่าสรุปอีกแบบหนึ่งผมจะออกนอกกรอบโศกให้ดูค่ะคนเป็นไงครับมีคุณภาพค่ะก็เดี๋ยวบัตรคํามาติดนะครับแล้วสาระเป็นไงสาระโศกสาระเป็นธรรมะตามบัตรคำเนี่ยตามบัตรคํากว้างจริงใจค่ะนี่คือแยกแยกบัตรคําให้เป็นตามเขาเรียกสาระค่ะโอเคอันนี้เนื้อหา คนนี่เก่งครับเก่งอะไรยังมาติดเอาก็เรื่องคนเอศกนี่สำคัญที่สุดคือเรื่องปัจจัยคือคนมีวิธีจัดจัดอีกกรอบนะครับไม่เอาบัตรคำที่ระดมมาใส่เรื่องคนเป็นยังไงแล้วมีจิตวิญญาณที่ดีค่ะมีธรรมะทำฟรีที่อื่นค่าตัวเป็นแสนที่นี่ทำฟรีนี่คือจุดเด่นของเราครับคนเราเก่งจะมีศีลธรรมไม่โกหก คำว่าพีอาร์เนี่ยอโศกไม่ใช้ให้สาระที่เป็นจริงใช่ไหมครับเอาเน้นมาเรื่องที่2เอาคนก่อนสรุปนี่คือกลุ่มคนนะครับนี่จัดอีกแบบของผมแม้วนี่บอกว่าน้องจัดผิดนะครับแต่ว่าในวงการสื่อเขาจะสื่อกัน3มเรื่องสองสาระเป็นไงแตกต่างก่าช่องเจ็ดช่องห้าไหอ้าวเอาใสยไปรายงานความจริงนี่คือพบไม่ศีลกํากับมีพ่อท่านดูแลเป็นอดิเตอร์ใหญ่นะครับอะไรอีกสาระมีอะไรอีกกว้างไหมกว้างไหมกว้าง คือให้คนฉลาดต้องให้กว้างแลยอิสระไหมอิสระจะนทุนไหมอิสระจากนักการเมืองอิสระไหมนี่เอามาติดเห็นไหมสาระอโศกเด่นอย่างนี้นี่สาระคราว น, นี้ช่องทางน<ำ>ี่ช่องทางนําเสนอมีมีโศกมีช่องสื่อมีทั้งตัวแสดงคนมาแสดงด้วยแต่มีสื่อหนังสือสื่ อ, อมีช่องทางเป็นไงครับมีข้อจํากัดไหมหรือมีข้อเด่นอันนี้ข้อเด่นเข้าถึงประชาชน จ, จริงเปล่า จริงไหมครับอันนี้ถามพวกเราว่าจริงปะสามเรื่องเนี้ยเด่นจริงไหมสื่อจริงนะยอมรับนะฉันทานุบาลนะอ่าอันนี้ผมก็รับทราบเราะผมพทุกคนบอกทีนี้ก็คือว่าจากสื่อเก่งเป็นงานชาวิชาก็สรุปได้ว่าสื่อเนี่ยข้อเด่นของชาวโสก ค, คือคนซึ่งเดี๋ยวจะตรงกับหลายกลุ่มด้วยเพราะว่าคนเป็นคนธรรมเดียวกันลูกศิษย์เดียวกันใช่ไหมครับก็คือ แล้ที่สคือเมื่อเริ่สือก็ต้องพูดถึงสาระเนื้อหาซึ่งจะแตกต่างกับช่อง5ช่อง7็เพราะสื่อความจริงเพื่อให้คนหลุดพ้นจากขีเลทหลุดพ้นจากการโฆษณาชวนเชื่ออันนี้ก็คือด้านสาระอันนี้คือด้านช่องทางก็เข้าถึงช่องทางนี้ไม่ต้องคุยว่าฉันประมูลด้ดิจิตอลได้เท่ากี่ช่องแต่ว่าเข้าถึงหรือเปล่าไม่รู้เล่วเอาอะไรไปใหู้ เ, าเชาวโซบบอกว่าฉันเข้าถึงได้เพราะชั้นเปิดว่าแต่เข้าถึงใครถึงต้องคุยนะอันที่4เรายังไม่ได้พูดถึงนะว่ากลุ่มเป้าหมายของขกระสุเป็นใครครับ ผ, ผู้รับสารนี่ อันนี้คนโศกประชาชนทั่วไปประชาชนนี่เป็นไงครับเคยเคยทำเรตติ้งไหมเรตติ้งแบบธรรมะนะประชาชนใครคือกลุ่มเป้าหมายของโศกรู้ไหมครับคนแก่หรือคนหนุ่มเออไม่รู้ผมถามถามสมาชิกส่วนมากจะเป็นใครครับสวแล้วปั๊บศาสนาพุทธจะสืบสานยังไงเนี่ยเาวสุขเหนอันนี้ไม่รู้ที่ยังไม่ได้การวิเคราะห์ก็คือว่า ประเมินตนเองว่าอย่างไรว่าถึงประชาชนในกลุ่มไหนแล้วกลุ่มในเมืองลิชนบทครับกลุ่มเมืองลิชนบทชนบทอันนี้คือจุดแข็งของกระสกุกทำไมก็ลงรึไปว่าชนบทโอุทธรผมเขียนชนบทอาเขียนทุกนาแต่ในเมืองเราเป็นไงครับ <c oughs> ออันนี้ผมไม่รู้แต่นี่คือการประเมินผลสุดท้ายว่าเออเราแข็งจริงไหมแข็งจริงเราบอกว่าถึงถึงสื่อเราต้องบอกว่าถึงกลุ่มไหน ถึงใครเนี่ยกลุ่มกลุ่มคนสวสวได้เพราะสวอันนี้ถ้าต่อไปเราจะสื่อสารยุคใหม่เราจะช่วยโลกเราก็ต้องคิดว่าเอจะถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทหรือในเมืองวันนี้ตอนนี้ตอนนี้คนคนส่วนใหญ่70ล้านคนอยู่ในเมืองหรือในชนบทอ้าวเดี๋ยวให้ฝ่ายสื่อฟุ่ เต้องบอกว่าเมืองหมายถึงกรุงเทพนะไม่ใช่หัวเมืองของจังหวัดต้องแยกความหมายของเมืองก็คือแบงคอกเลยอ่ะอ่าตัวเมืองด้วยเนี่ยเราก็เข้าถึงครับตัวเมืองเข้าถึงทุกจังหวัดแล้วในสิปีข้างหน้าล่ะสิปีข้างหน้าถามว่าเมืองคนในชนบทจะเข้ามาเมืองกับเข้าไปกรุงเทพเยอะขึ้นไหมแล้วจะมีคนต่างจังหวัดที่ฟังภาษาไทยไม่ออกเยอะไหมพม่าลาวเขมรจะเข้ามาเมืองไทยเยอะไหม อ่านี่เราคิดไ ย, ยังอ่าแสดงว่าโจทย์อนาคตคือประชาชนนี่เราต้องแยกไหมแยกปัจจุบันกับอนาคตเราแยกว่าเป็นในเมืองในชนบทและในภาคในภาคอุตสาหกรรมหรือในกรุงเทพกรุงเทพจะไปแยกเขาเลยช่อง5ช่องเกตไปครอบงำไม่หมดแล้วใช่ไหมนพราะนี้ประเด็นก็คือว่าเรายังไม่ได้ประเมินอะไรครับกลุ่มเป้าหมายที่เราชนะศึกที่เราได้ซีปึกกับเราเนี่ยก็ซีปึกปัจจุบันกับซีปึกอนาคตจะเป็นคนละกลุ่มกันคนละสถานที่กันเพราะฉะนั้นอโศกพร้อมยังตรงเนี้ย ผมไม่รู้อ่าอันนี้อันนี้ฝากว่าเรื่องที่สี่นะครับคือกลุ่มเป้าหมายเอากลุ่มต่อไปจุดเด่นกลุ่มต่อไปเชิญครับอันนี้ผมจะช่วยย่อยให้ค่ะเจริญธรรมค่ะทุกท่านทุกทุกท่านนะคะ กลุ่มที่3เป็นกลุ่มพาณิชย์บุญนิยมนะคะพูดถึงจุดแข็งนะคะจุดแข็งก็คือมีระบบบุญนิยมก็คือมีการลดละ ก, กิเลสนะคะเป็นโล ก, กุตละแล้วก็มีการให้มากกว่าการรับนะคะเสร็จแล้วก็จะส่งผลถึงทําให้พวกเราเป็นคนมีคุณธรรมถือศีลห้าละอบายามุกแล้วก็กินมังสวิรัตแล้วเพให้พวกเราเป็นคนมีคุณธรรมเสร็จแล้วสินค้าที่ผลิตออกมาจึงได้มาตรฐานนะคะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปถ้ากาว ถึงโดยเฉพาะอย่างเช่นอาหารมังสวิรัตนะฮะชาวอาโศกก็จะได้เป็นเจ้าแห่งมังสวิรัตก็ทุกวันนี้ก็เป็นที่ยอมรับนะคะ ต, ต, ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาแล้วนะคะจนปัจจุบันค่ะตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดแข็งของชาวอาโศกนะคะตรงนี้ค่ะในส่วนของจุดอ่อนนะค ะ, คะอ๋อค่ะค่ะ ค่ะบุญนิยมของเรานี่นะคะบุญนิยมนี้จะมีอยู่สีระดับนะคะก็คือหนขายต่ํากว่าราคาท้องตลาดนะคะตรงนี้ราคาท้องตลาดขาย10บาทแล้วขาย8บาท7บาทอย่างนี้นะคะแล้วก็สองขายเท่าทุนค่ะซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ขายเท่านั้นสามขายขาดทุนค่ะ สีแล้วก็แจกฟรีค่ะตรงนี้เราก็มีทุกระดับเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการทำสินค้าในการทำพานิชบุญนิยมของเราจึงได้รับการยอมรับด้วยความเป็นคนมีคุณธรรมของพวกเรามีศีลห้าละบายมุก กินมังสวิรัตินี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับนะครับถือว่าเป็นจุดแข็งของชาวโสกนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนก็แล้วแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าชาวโสกนะคะจะได้รับความนิยมเชื่อถือนะคะตรงนี้ค่ะโดยเฉพา ะ, ะที่อุบลราชธานีอุทยานบูนิยมนะค ะ, ะร้านอื่นๆเขานี่นะคะเขาบอกว่าโอ้ช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่าขายไม่ดีแต่เราขายดีค่ะขอบคุณค่ะ อ้าววันนี้ถามกลุ่มนี้และถามที่ประชุมผมได้ยินพ่อท่านพูดถึงว่าแสนตันเข้าสารจะเอาย้ายจากชาวนาไปหาชาวเมืองแล้วสากรบริยมต้องทำหน้าที่ไหมพานิชเนี่ยฝ่ายพานิชเนี่ยผมติดตามวาเป็นสากรทำไหมก็เราขายข้าวด้วยนะคะอย่างนั้นจุดแข็งที่บัตรคำเนี่ยคืออะไรครับเอามาใส่หรือคุณธรรมหรือช่วยตอบ แทนผมผมคิดแทนเพราะท่านว่าไอ้แสนตันเนี่ยพานิษย์พร้อมไหมถามการการผิดนิชาวนาเขาผิดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็เขาผิดอะไรอยู่ตอนนี้เคมีหรืออินรีอินเคมีค่ะส่วนใหญ่อ่าอินซีแสดงว่าแต่แต่ตอนนี้เราผลิตอินอินซีค่ะถ้าเข้าวแสนตันต้องเป็นอินทรียค่ะเป็นอินรียค่ะถูกที่ชาวโสกปลูกเนี่ยคือเป็นอินรียเป็นแต่ถ้า ชาวนาที่จะย้ายแสนตันมาให้นี่เขาปูอินซีหรืออันี้อีกก็ต้องเป็นอินซีใช่ไหะตอนนี้ตอนนี้ถามว่าเขาเป็นอะไรเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกเพราะนี่เขาก็อินซีด้วยนะค่ะสุว่าจุเป็นจุดเด่นของอโศกเพราะว่าฐานสมาชิกผู้ผลิตเนี่ยแสนตันเนี่ยเป็นอินซีต้องเป็นอินซีค่ะอโศกรับรองใช่ค่ะแล้วจะขนไปยังไงไปสู่คนเมืองยังไง 1. ขนขนส่งราคาราคานี่รู้ว่าอโศกนี่ไม่โลภราคาต้นทุนเขาขนส่งยังไง ฝ่ายบริการพร้อมไหมเ อ, อ้านี้ฝ่ายพานิชย์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามเอาที่นี้ถามการตลาดพาณิชย์เนี่ยพานิชย์แปลไปว่าการค้าขายถามว่าตอนนี้หาลูกค้าได้พร้อมไหมยังพร้อมค่ะตอนนี้เรากําลังประเมินแผนอนาคตนะไม่ใช่รประเมินปัจจุบันเท่านั้นนะพราะโจเนี่ยพร้อมไหมพร้อมค่ะ ใครบ้างลูกค้าลูกค้าต่างก็โรงพยาบาลค่ะรอพอโรงพยาบาลสองแล้วก็ประชาชนทั่วไปสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยค่ะอประชาชนที่เจ็บป่วยอันนี้ประชาชนที่เจ็บป่วยค่ะแล้วก็ผู้รักสุขภาพมันโยงกัารพ่อโซมีจุดแข็ง่กลุ่มที่สาม แล้วก็ร้านร้านค้าสุขภาพนะคะคที่อยู่ในตัวเมืองนะคะตอนนี้เนื่องจากว่าเราเจ็บเราป่วยกันเยอะทีนี้ร้านค้าสุขภาพต่างๆก็จะมีเยอะมากมายเลยนะคะตรงนี้ค่ะในเมืองค่ะสี่แสนไม่พอแล้วแสนตันไม่ถึงช่วยคิดหน่อยค่ะทุกปีปีละแสนตันแล้วจะอยู่แค่แสนตันหรือจะไปเพิ่ม20งแสนสามแสนสี่แส น, แสนอันนี้ไม่ใช่บอกว่าอโศจะโลบเอาเงินนะแต่เราต้องการให้กระจายทำทำ ทำตลาดอาลียาแจกฟรีไม่ เ, เรื่องราคาคอันนี้กลุ่มเป้าหมายกำลังจะถามว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครอันนี้มีตลาดอลาลยะอีกกลุ่มต่อไปอะไรครับกลุ่มต่อไปอะไรกลุ่มที่สกลุ่มที่สี<ช>่แนวโน้มต่างประเทศค่ะไปถึงต่างประเทศเหรอฆ่าคนสมตายครับเออลาวนี่นี่<า>นเป็นจีน เ, เพราะอาเสียนเปิดปีได้ใช่ไหมใช่ค่ะภาษีมีไหม ไม่มีมีแต่ค่าอะไรขนส่งก็ให้เราจ่ายแต่ต้นทุนบอกว่าอาโฉดคิดเท่านี้มันเข้าโศดจะถูกไหมถูกค่ะมันก็คือเราเราอะไรอีกก็คืออาเซียนค่ะก็แล้วแต่ที่จะใช่แล้วก็เอาเรื่องพวกนี้เข้าไปเอากลุ่มที่ห้าลองนี่ตั้งโจทย์ให้คิดเลยพี่น้อง ที่เราร่วมเป็นเครือข่ายในการชุมนุมของเราไหมคะผู้ดีมีผู้ดีคนที่มีเงินได้หลายนะคะที่ร่วมชุมนุมกับเราเครือข่ายนะคะกปปสกปปสนี่ค่ะเขาเป็นคนรวยมีเงินมากมายนะคะเดี๋ยวทหารไม่ยอมรับเราปลองดองด้วยสุขภาพใช่ค่ะค่ะอ่านี่ย้อนลอยย้อนเกล็ดไปค่ะทั้งสองขั้วทหารค่ะค่ะทหาร ปุ๋ยแลกข้าวนี่นะปุ๋ยแข้าวน่ะหมดแล้วอันนี้เป็นการวิเคราะห์เชิญเป้าหมายอันนี้เหมือนการนี้ถ้าวิเคราะห์อะไรก็บุญยมเนี่ยมันเรื่องพวกเราแต่ให้เห็นว่านี่คือจุดแข็งเราแล้วแข็งจริงไหมครับจริงค่ะหนึ่งฐายการผิดเราเป็นอินซีจริงค่ะแล้วพร้อมจะลองรับไหมทั้งคุณธรรมทั้งปอดสารเคมีทั้งเขาเรียกอะไร ทั้งไอได้มาตรฐานไอของเขาเรียกอะไรนะไอ ISO ไอไอคอมไอคอมรู้ตัวย่อภาษาอังกฤษัง EU ค่ะมาตรฐานของกระทรวงเกษตรอออยแล้วกันอ่ะเอออยแล้วแล้วเล่านี้เราพร้อมติดต่อเขายังมี ตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลก็มีนะคะคนที่เจ็บป่วยอะไรนี้ก็มีแล้วก็อยู่ในตัวเมืองร้านค้าสุขภาพนะคะถือ ว, ว่าคนสนพร้อมจะแบกข้อสารแสนตั น, ตนแล้วก็หลังหักขนส่งพร้อมหมายความระบบนี้ใหญ่นะคนสนพร้อมนะที่จะดูะแลเรื่องพาณิชยเพราะว่าเป็นไปการาเราไปาทางไอ้ลูกค้าทกศก็ได้นะคะทกศอีกค่ะเอาเรียกว่าหน่วยงานหน่วยงานอีกที่ เป็นพันธมิตรการาเรื่องข้าวาเรื่องสุขภาพมันเป็นหลักคือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องชาวนาข้าวแล้วก็บวกสุขภาพใช่ไหมซึ่งเป็นจุดแข็งของเราโอเคชัดครับอย่างนี้เป็นการบอกจุดแข็งที่ออกไปจากเขาเรียกอารมณ์และคุณธรรมของชาวโศกเป็นระบบงานเพราะว่าการพณันธมิตรมันต้องมีคนกลางคนผลิตคนซื้อคนกินค่ะ ใช่ไหมชนิดเขาเรียก supply นี่เรียกดีมานภาษาอังกฤษแถมมาด้วยคือความมีความต้องการมันตอนนี้คนกลางก็คือต้นทุนต่ำคนส่งถูกแล้วของจริงทั้งนั้นใช่ไหมครับทันั้นนี้ก็เป็นจุดแข็งอโศกสรุปให้ชัดใช่ไหมครับ <ขอ S 1> ค่ะขอบพระคุณอณ <ไป S 2> าจารย์<อ>ค่ะค่ะเดี๋ยวจุดอ่อนจะของจริงและจุดอ่อนนี้ต้องติดพลื่เลยเพราะว่าจุดอ่อนพรุ่งนี้ต้องต้องแก้กันให้หมด อ่าจุดเด่นอะไรอีกผมกลุ่มสีเยเดี๋ยวบริการให้เสริมภาพนี้นะว่าจะพูดบริการแค่ชาวอโศกเพราะว่ามันต้องดูแลการจัดการใหญ่มากครับกลุ่มกสิกรรมนะครับกลุ่มที่4ก็ไปคุยกันว่าอาจารย์ให้โจทย์มาว่าเรื่องจุดเด่นของเรื่องกสิกรรมเนี่ยของเราคืออะไรนะครับในที่ประชุมก็มีการออกบัตรคากันมาเยอะแยะก็สรุปกันได้ว่าเกสิกรรมที่เป็นจุดเด่นของเราคือเราทาเรื่องไร้สารพิษ นะครับคำว่าเรื่องไร้สารพิษเนี่ยคนเป็นชาวโสมทุกคนหรือทุกชุมชนเนี่ยทำกสิกรรมล่องไร้สารพิษอันนี้เป็นจุดแข็งจุดเด่นของเราที่ว่าชาวโสมทุกจุดทุกที่ทําเรื่องไร้สารพิษคนที่จะทําไร้สารพิษได้จะต้องเป็นคนที่มีศีลเราสังเกตว่าย่งแม้แมคนที่ทําเรื่องตลาดผักไร้สารที่อุทยานบุญยมก็ตามถ้าเป็นคนไม่มีศีลเนี่ยพอเราไปตรวจก็จะเจอเคมีจเจออะไรต่างเพราะนั้นความมีศีล กับเรื่องไร้สารพิษเนี่ยเรืขมวดเข้าไปด้วยกันว่าถ้าจะทําไร้สารพิษได้จะต้องมีศีลอันนี้คือเป็นจุดเด่นของของเรื่องกสิกรรมนะครับจุดเด่นที่เป็นลองๆ ล, ง, ลงมาก็คือพวกเราเป็นพวกที่ทําอะไรก็ประโยชน์สูงประหยัดสุดนะครับอันนี้คนมีศีลมีคนละเอียดจิตวิญญาณเอียดขึ้นก็จะมีพูดถึงเรื่องการประโยชน์ประโยชน์สูงประหยัดสุดนะครับทำอาหารที่เป็นอินทรีย์นะครับพวกเรามีองค์งความรู้องค์ความรู้เป็นจุดแข็งจุดหนึ่ง พวกเรามีวิทยากรมีนักวิชาการต่างๆมาให้ความรู้มากมายตั้งแต่เรื่องของฟูกอกะเรื่องของจูรินซีเรื่องของนายโนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆจะมาลงที่เอโศกเหมือนกับว่าเป็นจุดที่ให้เราได้ฝึกวิชาให้เขาได้ถ่ายทอดวิชาอันนี้ก็เป็นจุดแข่งของเรานะครับที่สรุปกันมานี่มีสามจุดเด่นใหญ่ๆก็คือเรื่องทําไร้สารพิษซึ่งเป็นคนมีศีลถึงทาไร้สารพิษได้นะครับแล้วก็พวกเราเน้นเรื่อง ประโยชน์สูงประหยัดสุดนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะครับอาหารก็เป็นหนึ่งในโลกคือเราผลิตอาหารอินทรีย์นะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งที่ชาวอาโศกเราในเรื่องของกสิกรรมนะครับที่สรุปได้คร่าวๆประมาณนี้ครับหนึ่งคือใช้ศีล ครับเราทําเรื่องไร้สารพิษซึ่งคนจะทำไร้สารพิษได้ต้องเป็นคนมีสิทซึ่งเป็นจุดต่างกับชนาทั่วไปครับใช่ครับไม่โลบก็ครับก็สินไม่มาเข้าคือถ้าฆ่าสัตว์อยู่ก็ยังไม่ใช่ต้องหายาฆ่าแมลงอะไรมาซึ่งเสร็จหน้านๆก็ไม่ไร้สารพิษครับนั่นใช้คนนอกอาศกนะคนอาศกไม่ทําอย่างนั้นครับผมแล้วสก็คือมีเทคโนโลยีที่คนอาศกหาต่อเวลาครับมีนักวิชาการอื่นเข้ามาให้องค์ความรู้อยู่เรื่อยๆนะครับเราก็เลือกใช้นะครับสาเป้าหมายของอาศกนี้ก็คือภาพนี้ ต้องการขับเคลื่อนให้อาหารเป็นอาหารสุขภาพใช่ครับใช่ไหมครั บ, รบไปสู่คนสังคมครับอันนี้คือจุดเด่นของ3มข้อที่พูดมาใช่ไหมครับเมืออ่อกี้เมื่อกี้ผมอยากอธิบายเพ<อ>ิ่มเติมอีกอันคือพึ่งตนเองครับเพราะชาวาสกคิดเรื่อง ก, การพึ่งตนเอ ง, องเป็นเรื่องเด่นเพราะต้องทําไงให้ขายได้นอกจากพึ่งศีลแล้วใช่ไหมครับพึ่งความรู้แล้วต้องพึ่งตนเองแล้วก็ให้คนอื่นเอาข้าวไปให้คนอื่นคือเราทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างก่อน เรามีแปลงสาธิตมีแปลงทดลองมีโรงเรียนชาวนานะครับแล้วก็เราสร้างเครือข่ายใช่ไหมครับพอเราสร้างเครือข่ายเราก็องค์ความรู้เอาสิ่งที่เราเป็นเนี่ยไปบอกเครือข่ายเครือข่ายก็ทําข้าวให้เราคนตรงนี้มีสารัิษคนอโศวกกับเครือข่ายใช่ครับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเครือข่ายเครือข่ายกิกรรมบรรสารพิษคนอาศกได้อยู่ข้างในครับเนั้นอันนี้จะเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นจิดแคนของอาศกเรามีองค์กรทั้งเราเรียกว่าเครือข่ายกสิกรรมบรรสารพิษแห่งประเทศไทย นะครับอันนี้เรามีองค์กรทังเราเลยนะครับถ้าสรุปกับเหมือนกลุ่มนี้ก็คือคนแข็งแข็งเหมือนกันใช่ครับแต่ที่เพิ่มมาม ค, คือเครือข่ายครับมีเครือข่าย2มีศีลกับมีองค์ความรู้กํากับครับรแล้วก็มีการตลาดแล้วมีการตลาดเรื่องสุขภาพใช่ครับรแล้วก็คนโศกเองก็ชูตัวตัวแบบของการพึ่งตนเองพึ่งตนเองซึ่งมาจากตรงนี้ใช่ครับครับใช่ครับเห็นด้วยไหมไม่ใช่ราคาคุยนะ ผมกำลังทำอยู่ครับครับตบมือให้หน่อยครับเถอเอากลุ่มต่อไปครับเดี๋ยวจะถามว่าสากลเนี่มีข้อมูลหรือยังแล้วมีบัญชีการเงินเดี๋ยวฝ่ายบริการบริหารแล้วมีรถหรือยังเอาภาพนี้มาเติมเต็มกันเพราะว่าเราชาวโสกแบ่งกันคิดแต่ว่าจุดเด่นหาร่วมกันนะครับขออธิบายเข้ามาในภาพนี้ภาพสงภาพนี้นี่เป็นสื่อนี่เป็นระบบการเผลของของโสดการขายด้วยอ่านี้การศึกษานี่เรื่องใหม่อันนี้ต้องเปิดอีกเรื่องจุดเด่นของ ของอโศกการศรึกษาผมใช้เป็นหนังสือแล้วครับคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ใช้แท็บเล็ตหมดแล้วเอาใส่ไปหน่อยก็ได้แท็บเลต็ตนี่คือการศรึกษาเชิญครับการศรึกษาว่าไงครับการศรึกษาก็คือต้องมีตัวหลักสูตรเดี๋ยวเราดูว่าหลักสูตรเขาต่อเ น, นื่องกันไหมวอนบอกับเราสองมีครูครูสอนมีผู้เชี่ยวชาญที่นั่งห้องนี้เต็มเลยก็มี3อย่างเหมือนสื่อนะครับมันเต็มและมีครูมี ท่านพอ่พอท่านใช้คําว่าอะไรครับศิลปาจานค่ะศิลปะจานใช่ไหมเป็นศิลปะนี้มีเดี๋ยวลองดูว่าจุดแข็งมีไหมแล้วมีเรื่องการเรียนการสอนใช้ใช้สื่อสมัยใหม่เขาใช้สื่อคอมพิวเตอร์แล้วแล้วถ้าสมัยเก่าก็เป็นกระดานดําจบจ <น S 1> เชิญครับยังงานจบแล้วใช่ไหมคะปล่าผมก็ลองจะถามกํา <laughs> ลองจะถาม3มเรื่องว่าเด่นเรื่องอะไรหรือสี่เรื่อง5เรื่องกลุเป้าหมายเป็นใครอ่าวเชิญครับ เาจอทำพยาแล้วก็เจอทาพี่น้องทุกคนค่ะ <c oughs> ันเป็นตัวแทนของการศึกษาขอขอบคุณค่ะ <c oughs> การศึกษาอาจจะพล่องไปบ้างนะคะตามที่เป็นอยู่คนในงานก็จะพล่องตามการศึกษา <c oughs> จุดเด่นของเราก็คือแต่การศึกษาของเรามีหลายระดับนะคะตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาภ า, าคบังคับ อาชีวะแล้วก็วันโบของเรานี่ทีนี้การศึกษามันยืดยาวพูดวันนี้ก็ไม่จบแต่ว่าเราระดมในช่วงเวลาอันสัน้นก็เลยอาจจะได้ขาดขาดเกิ น, กนอันที่หนึ่งปรัชญายการศึกษาสอดคล้องทุกระดับตั้งแต่ประถม มัธยมไปถึงวนบอประถมว่าไงคะประยักษ์ถูกต้องค่ะมัธยมค่ะ ม, มัธยมแล้วก็วนบอค่ะนักเรียนเก่งทุกคนเลยค่ะแสดงว่าการศึกมีความหวังฮ่า นี่ปรัชญาการศึกษาไปแล้วนะคะข้อ2ทักษะวิชาชีพของเราเก่งแล้วก็เจ๋งแน่ๆเพราะจากสังเกตของเราเก่งหมดแต่วิชาการอาจจะด้อยไปหน่อยทีนี้มีวิชาวิชาเป็นยังไงคะผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่บ้านมิ่งหมายวิชาคะ่าะ <c oughs> <c oughs> อันนั้นวิชาค่ะเอาหมดเวลาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็วิชาก็ติดตามพ่อครูก็จะเห็นวิชาแล้วก็ปัญญาแสงสว่างอยู่ในนั้นค่ะจุดเด่นของเราก็จบแค่นี้แล้วกันนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ปีสบวิอ่และจะให้พูดตรงไหนคะ <c oughs> งั้นผมถามอันที่หนึ่งคือตัวปรัชญาเด่นคือมีศีลมีงานวิชาตอบสนองต่อชีวิตถึงสี่ระดับระดับโลกุตละอันนี้อันที่หนึ่งเด่นที่ตัวหลักสูตรใช่ไหมสองวิชาชีพก็เด่นเหมือนกันเด่นเพราะว่าเป็นตรงนี้สร้างให้เด็กเราเพราะว่าสามารถปฏิบัติได้จริงปฏิบัติได้จริงคือเป็นงานเนยนะเป็นงานที่มีอาชีพพึ่งตัวเองได้เรื่องที่สองก็คือทักษะก็ยังไม่พ้นตัว แล้วตัวคนลรบุคลากรแนศพครูเราเป็นครูที่ต่างครูในโรงเรียนทั่วไปไหมต่างค่ะต่างไงเพราะว่าของอข้างนอกในครูมีวิชาเอกใช่ไหมะฮ ะ, ะแต่ของเรานี่สารพัดจาเนี่ยสารพัดสารพัดคุณนะไหมสารพัดพิษอ่า ศิลปะจารของเราใช้คำภาษาลพัหลากหลายวิชาชีพไม่ค่อยตรงไม่พูด the right ม a n in the right job เท่าไหร่แต่ว่าก็มาฝึกฝนเอาเพราะว่าพ่อท่านบอกว่าเพื่อตอบสนองคำว่าชีวิตใช่ไหมเพื่อตอบสนองว่าเราทำได้ค่ <c oughs> ะ <c oughs> เอาถ้าถามต่อแล้วว่าวิธีการเรียนการสอนเราเปไ็นไงนี่สอนอยังไงสอนให้ท่องสอนให ตามปรัชญาการศึกษาใหม่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางประสบการจริงค่ะประสบประสบการจริงฝึกทําจริงค่ะอันนี้ต้องทําจริงไม่ใช่พูดจริงอย่างเดียวต้องทำเป็นด้วยเห็นไหมพูดเป็นด้วยค่ะพูดเป็นเอาพูดเป็นแม่ก็คือเอาเอาตัวนี้เป็นเป็นการเรียนการสอนที่ออกไปเป็นเน้นต่างกับข้างนอกคือในเรื่องการทํา แล้วการพูดนี่เหมือนที่อื่นที่อื่นอาจจะพูดน้อยหน่อยที่นี่พูดเยอะไหมที่นี่แหละค่ะจะพูดเยอะกว่าที่อื่นเพราะพูดเรื่องจริงแล้วก็มองเห็นได้ชัดมีมีคุณราศีที่ผู้อื่นสัมผัสได้อ่านี่มาแล้วผมก็จะถามเราวัดกันที่อะไรครับคุณราศีแล้วก็คุณนิธิมีธรรมรังศีจนผู้อื่นสัมผัสได้คะแล้วนิธิละไปอะไรคะวัด ที่อะไรต่อไปจากนิที่ไปอะไรก็คุณธรรมอะค่ะแล้วก็มีธรรมรังสีจนมีคุณวิเศษคุณวิเศษอันนี้เป็นเป้าที่เหมือนกับคนอื่นไหมมีคันนอเขาเน้นเรื่องใบประกาศดีบัตรเหมือนไหมไม่เหมือนค่ะที่เราเราเน้นที่ตัวตัวคนหรือตัวของเขาจะเน้นวิชาการของเราจะเน้นนี้เอกโทตีของเราจะเน้นคุณค่ะ เน้นคุณวิเศษค่ะขุมทรัพย์แพ่งอันนี้คือการวัดผลของเราวัดที่ตัววัดผลวัดผลอันนี้คือความเด่นของเราค่ะครับผมช่วยเสริมว่าเด่นเรื่องหลักสูตรเด่นเรื่องศิลปอาจารย์ของเราหลากหลายและเป็นหลากหลายที่ทําเป็นแล้วก็สอนให้นักศึกษาเราทําจริงค่ะแล้วก็พูดได้ด้วยแล้วสุดท้ายคือการวัดผลนี้ไม่ได้วัดที่ตัว เอาเอาปัญญาไม่ใช่วัดที่วิชาการอย่างเดียววิชาการ30มสิบเปซตัว่คุณทั้งหลายนี่ 70% ็ดสต์คคุณลักษณะของจิตใจที่ออกมาเป็นคนราศีเป็นนากทีและเป็นคุณวิเศษใช่ไหมครับใช่ไหมเอาครับอ่าผมเรียงผิดงั้นก็ก็พ่อท่านบอกคุณทั้งหลายพวกคุณคุณทั้งหลาย ครับอันนี้คือจุดต่างของชาวโสมมันต้องแสดงออกเรื่องเป้าหมายสุดท้ายนะครับของการการศึกษาไม่ว่ากี่ระดับก็แด่แต่ผลคืออะไรครับคนที่ผิดออกไปที่ที่บริบูรณ์เพราะทั้นบอกว่าจะได้ผลบริบูรณ์จุดอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนำเสริมคนได้ยังครับจุดจุดเด่นไม้กรุ๊มอาจารยตอกบือให้หน่อยจบแล้วนะคะขอบคุณเป็นตัวอย่างคนสนุก ข้อก okay? okay. ันนะคะอันนี้กลุ่มบริการค่ะจบเย็นของกลุ่มบริการนะคะก็คือการมีจิตอาสานะคะก็คือเป็นผู้ให้ค่ะเรามีคนดีแล้วเพราะท่านสร้างพวกเราให้เป็นคนดีนี่ก็คือเพื่อที่จะเป็นผู้ให้เพื่อที่จะเป็นมีจิตอาสานะคะต่อมาข้อที่2นะคะก็มีวัตถุดิบที่ไร้สารพิษนะคะที่ใช้ ก็คือจุดเด่นอีกข้อหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ า, อาหารนี่ค่ะเป็นเป็นเรื่องเด่นเลยนะคะอาหารที่มันไร้สารพิษนะคะวัตถุดิบที่นํามาใช้ก็ไร้สารพิษไม่แต่ปุ๋ยไม่แต่อะไรนะเราจะส่งเสริมเรื่องของการไร้สารพิษนะคะข้อที่สนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของงานบริการก็คื อ, อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้นะคะก็คือตัวอย่าง แหล่งรวมองค์ความรู้เราก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อ, องค์รวมแพทย์องค์รวมแพทย์วิถีไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ที่ของอชาวโศกเรานะคะและก็เราก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้และไม่ห่วงวิชานะคะใครมาขออย่างยกตัวอย่างเข้ามาขอเรื่องเรือเนี่ยค่ะเราก็บริการนี่คือความเป็นผู้ให้ค่ะก็กลุ่มบริการก็นําเสนอแค่นี้ค่ะ ตรงกันนะครับคือจุดสุดท้ายของคือก็คือประเด็นที่1ที่ตรงกันเกี่ยวทุกกลุ่มคือความเป็นคนจิตอาสาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เด่นมากความจิตอาสาแล้วมีความเก่งที่หลากหลายรวมเป็นทักษะทั้งด้านธรรมะกับทางด้านชีวิตใช่ไหมครับทางด้านแล้วที่น้องอธิบายต่อก็คือความเด่นเรื่องอินทรีย์ก็ตรงกันเพราะว่าเมื่อใช้ศีนกํากับก็จะมีการค่าก็จะเป็นอินทรีย์แล้วก็เป็นเรื่องสุขภาพดังนั้นเปเด่นเป็นที่3บริการคืออะไรนะครับ อ่าเพราะว่าเมื่อทําต่างกับสังคมนอกก็ยิงสะสมความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องกติกรรมธรรมชาติเรื่องเรื่องการผิดเรื่องการสากรลบุิยมเรื่องเรื่องวิธีบูนิยมทั้งหมดไว้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของคนอโศกแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้บริการทั้งในอโศกและก็นอกใช่ไหมค่ะทางนอกดว้วยเพราะฉะนั้นไอการบริการเนี่ยมันต้องมีสิ่งาการบริการจะวัดยันที่ไหนสูงสุดจะวัดที่ไหนรู้ไหมน้องตอบมาแล้วค่ะจิตอาสา การบริการทีร่สุดยอดไม่ว่าบริการของทุกไอคอนใจของการบริการคือการจิตอาสานะคะแตอนี้เดี๋ยวไปดูจุดอ่อนในจุดอ่อนผมจะไม่พูดเรื่องคนนะจะให้ให้พยายามอธิบายเชิงระบบว่ารถพอไม่พอคนพอไม่พอไม่รู้เพราะต้องอธิบายให้พ้นคนหรือจุดอ่อนคนบางทีขี้เกียจไม่ทํามีไหมหรือทํางานหนักไปอย่างที่ว่าหรือทําคนไม่พอคนไม่พออุปกรณ์ไม่พอไหมตารางบริการเนี่มันเพียบเลยเช้ายันค่าอย่างนี้ก็อยากให้วิเคราะห์พ้นจากคน นะครับต่อจุดอ่อนนะฮะซึ่งมีอยู่แล้วแต่วันนี้จะเห็นว่าเรื่องคนนี่เด่นมากของอาศกคุณมาทุกกลุ่มเลยเรื่องจุดเด่นแล้วก็เรื่องของอินทรีย์และองค์ความรู้เนี่ยผลิตภัณฑ์แล้วก็สิ่งที่ผลิตออกมาจากอาศกก็คือตัวสุขภาพแล้วก็ตัวสินค้าที่เป็นเรื่องสุขภาพและิปลอดสารพิษก็คือเป็นอินทรีย์อันนี้ก็ตรงกันนะครับเป็นจุดเด่นจุดเด่นที่สรุปมากกคืออันที่หนึ่งผมสรุปเพื่อไปเร็วนะครับอันที่หนึ่งพื่อจะไปจุดด้อย เรื่องคนจุดที่2คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผิดจากคนที่ถูกกากับด้วยศีลเนี่ยก็จึงทั้งความรู้ใหม่กับวิถีพุทธทั้งสุขภาพทั้งการผลิตก็จึงออกมาเป็นอะไรครับผลิตภัณฑ์เป็นอะไรเป็นบริการและผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่ไม่มีสารพิษที่ปลอดภัยและเอื้อต่อโลกนี่เป็นจุดแข็งของสกุลและที่อศกมีอันคือความเปนาสาที่ไม่มีราคาด้วยต้นทุนต่ำํำนั้นสินค้าสกจึงมีความจริงอยู่แล้วมีราคาที่ต่ํามาก ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของอระกราคาบุญ น, นิยมนะครับก็เป็นจุดเด่นที่สรุปว่าเป็นเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องที่คนเรื่องที่สองคือเรื่องของ อ, อินซีนี่ก็บุกสุขภาพไปด้วยความรู้แล้วก็ใช้ใช้วิถีพุทธกํากับการผลิตการจัดการของกระสุกทั้งหมดเรื่องที่สามคือเรื่องผลผิดทางการเกษตรของของผลิตภัณฑ์ของขอโศสกทั้งหมดและบริการล้วนเป็นเรื่องที่ไม่มีมีเอื้อต่อสุขภาพ น, นี่เป็นเรื่องที่ 2, 2> เพราะศกใช้นวัตรกรรมใหม่ด้วยนอกจากใช้ความคิดทางศาสนาใช้หลักศาสนานะครับ อ, อ๋อเรื่องที่เด็ดที่4ที่เด่นต้องพูดว่าคือปรัชญาและวิธีคิดวิธีคิดตามพุทธเนี่ยศุกร์มีเป้าชัดว่าเรื่อง ก, การพึ่งตนเองแล้วก็การจึงถ่ายทอดมาเป็นเรื่องการเอาองค์ความรู้ทั้งหมดมาเป็นหลักสูตรการจัด ก, การศึกษาเป็นเรื่องที่5นะครับที่เด่นนี่ให้ให้เกินมาจาก3เพราะว่า ถึงวันนี้เราสพร้อมแล้วที่จะยกระดับองค์ความรู้ของตัวเองที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ของพระเจ้าที่พระอาารสอนก็คือว่าองค์ความรู้ที่ทุกคนร่วมมือกันเนี่ยเอามาสถาปนาทั้งทั้งสมระดับ4ระดับเลยแต่ระดับที่วันนี้เรามาลงตัวพูดกือที่ระดับเนี่ยจะทํายังไงจะหลุดพ้นครับนี่คือวานาบอฮะผมใช้สัญลักษณ์พระเจ้าเกต <c oughs> ครับก็อันนี้เป็น5้าจุดเด่นเท่าที่ททผมฟังมาจากทุกกลุ่มนะครับจะช่วยสรุปให้แต่ว่าในระบบจุดเด่นเนี่ยก็แต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องการศาก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องศรริลปจารก็คือคนของอโศกนั่นเองเรื่ององค์ความรู้ก็เกิดจากการปฏิบัติจริงเกิดจากการเผลิตจริงเรื่องสากล ก, ก, ก็ทําจริงแต่นี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อสุดท้ายก็คือเรื่องสื่อเนีน่ยก็สื่อก็จะแตกต่างออกไปเพราะว่าคนในวงการสื่อของอโศกก็จุดเด่นเพราะนอกจากเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ พรเมื่อมีศีลก็ทั้งได้การพิดจะไม่มีสารพิษทั้งได้การสื่อสาระก็ไม่มีพิษไร้สารพิษเหมือนกันเป็นเป็นพิษทางการเมามเอาให้ปัญญาคนอันนี้ให้สุขภาพคนพร้อมปัญญาสุดท้ายก็อันนี้แหะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเด่นสักมา5ประการเนาะอันนี้ไม่ต้องให้คะแนนแต่ว่าเอาจุดเด่นไปใช้วันพรุ่งนี้นะครับว่าจะใช้ลุกอะไรใช้รับอะไรรับเดี๋ยวมาฟังกันเชิญจุดอ่อนครับ ใครจะมาเสนอก่อนจุดอ่อนให้เสนอได้หมดล้อธิบายให้ดีเพราะว่าจุดอ่อนอธิบายเสร็จต้องเอามาแก้ในกลุ่มเดิมนะครับว่าจะแก้อย่างไรว่าจะมาให้มีจุดอ่อนเหลือในในสิปีข้างหน้าเชิญครับกลุ่มสื่อนะครับกลุ่มสื่อจุดอ่อนในบางคนก็นคิดแต่อย่างเดียวนะโทรทัศน์วิทยุรู้ไหมว่าสื่อของอโศกจริงๆทีแรกเลยมันคืออะไร จริงไหมล่ะแล้วปัจจัยเป้าหมายของพ่อที่จะทําหนังสือธรรมะพิมพ์ธรรมะให้นี่ก็รู้กันหมดเนี่ยแล้วทําไมไม่พูดเรื่องนี้กันนะเปิดฉาเข้ามาในเอเลยโทรทัศน์หรือวิทยุเลยซื่อเนี่ยจดด้อยคือจุดนี้แหละด้อยที่สุดก็คือซื่อเนี่ยพ่อยากลําบากในการเขียนหนังสือใช่ไหมทุกวันนี้ยกว่าจะเขียนให้ตรงกับสัจจะนี่ยากไหมแล้วการเก็บหนังสือนี่ไว้ได้นานไหม อ้างอิงได้ไหมไเทรวาสอยู่ได้เพราะพระแต่ปีดกพเพราะการบันทึกนะครับละเลยเรื่องนี้มากในขณะนี้สื่อสิ่งพิมพ์ของเราเนี่ยจำกัดอยู่แค่ไม่กี่คนที่ข้องเกี่ยวจริงไหมแต่ในขณะเดียวกันในพ่อเนี่ยต้องการที่จะให้ธรรมะเนี่ยไปสู่มวลมนุษยชาติทั่วโลกละเลยมากในเรื่องนี้ผมเห็นมานานแล้ว แล้วก็ในองค์กรของสื่อของอโศรก็แน่นอนละ่ะจุดด้อยคือท่านว่าคนที่ทําสื่อนี่เพิ่มอธิศีลมากไหมคนต้องทำเพิ่มให้ได้อย่างน้อยตามร่องรอยของพระโพธิสัตว์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องเปิดชาขึ้นมาต้องเอานี้ขึ้นก่อนไม่ว่าหนังสือคุณจะทำหนังสืออะไรออกมาก็ตามต้องเอาเป้าหมายของพระโพธิสัตว์นี่ขึ้นก่อนผมก็เห็นแต่พ่อเขียนอยู่ในเราคิดอะไร นา่าพับจริงๆลืมคิดกันเลยตรงนี้แล้วก็ผู้ที่ทำงานสื่อก็เน้นเฉพาะรูปแบบพัฒนาดีที่สุดคือทางเทคนิคในดูดปรัชญาจริงๆนได้ทำบ้างไหมได้ทำแต่มันน้อยแล้วเขาก็โยนความผิดมาให้ทางไอ้ที่เกิดใหม่คือโทรทัศน์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวทั้งหมดมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละผมไม่ต้องทอดแทบไม่ต้องเลยอธิบายเรื่องอื่น เมื่อกลุ่มงานนี้ไม่สนองเป้าหมายของพ่อเป้าหมายใหญ่จบช้าแน่นอนครับแล้วพอช้ามาก็บกศิกรรมแย่พานิ์แย่ตรงนั้นแย่เป้าหมายหลักปรัชญาอันสำคัญพลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายการศึกษารับไปเรื่องนี้แล้ววทนบทั้งหมดรับผิดชอบเองงานนี้แหละบุรนาการให้แล้วนะที่มาคือเป้าหมายอันนี้จะถ่ายทอดของพ่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นจุดเด่นจุดด้อยอะไรที่ตามมาคือผล ที่พ่อพาทำมาแล้วเป็นข้อสรุปที่เราจะมองไปในอนาคตโดยให้มืออาชีพระดับประเทศอย่างท่านอาจารย์มาเป็นผู้นำเสนอพวกเราโอกาสดีหรือไม่ดีดีนะดีแล้วจะถอยไหมไพอแค่นี้ละครับขอบคุณออกมาสองข้อแล้วนะครับจุดอ่อนนี่เป็นทักษะไม่ใช่ชาวโศกพวกผมก็เป็ น, น ค, คือเราไม่บันทึก เราขาดมันจะเป็นนักสาววาบอร์เนี่ยขั้นสูงนะขั้นสูงสุดแล้วไม่บันทึกเลยเนี่ยจบแน่คนไทยไม่บันทึกผมเพิ่งรู้ว่าแมคโครไบโอติก เ, เป็นของคนตอนออกไม่ใช่ของฝรัง่งแต่ฝรั่งเขาเป็นิสัยต่างกันหรือไม่ต่างตรงนี้แหละครั บ, รรบเขาเจออะไรก็เขียนแหลกเลยเขียนวิเคราะห์ด้วยไม่ได้เขียนเล่านะแต่คนไทยเล่าไหมใช้ปากเล่าแต่ไม่เขียนแล้วเขียนแบบไม่พัรธน า, นาไม่วิเคราะห์ไม่จัดระบบอันนี้ต่างกันไหมครับ งบอบอจะต้องเพิ่มที่พี่พิชิตพูดเนี่ยแล้วเพิ่มสาระของเราเข้าไปของจริงที่มีจากตัวเราเองดึงออกมาให้ได้นะเมื่อรู้เป้าหมายชัดเจนพ่อต้องการอะไรแล้วเนี่ยต้องออกมาให้ได้ของจริงนะที่จะช่วยพ่อไม่ต้องยาวอย่างที่ว่าอย่างที่อาจารย์ให้ไว้แล้วเข<อ>ียนได้เป็นก็พูดให้ฟังเชิญกลุ่มต่อไปครับนี่จุดด้อยของกลุ่มอะไรเอ่ยกสิกรรมด้วยเดี๋ยวก่อนรายงานก่อนค่อยมาติดเดี๋ยวก้อยอรายงาน จ, จุดด้ยอยอ๋ออะไรงานแล้วเอามาติดเลยผมวาดรูปให้เหนแล้วก็ติดบัตรคําประกอบรูปภาพผมไปเลยเอากลุ่มต่อไปครับข้อด้อยจเจริญธรรมค่ะอีกครั้งนะค ะ, ะจุดด้อยนะคะจุดอ่อนของพาณิชย์บุญนิยมนะค ะ, ะข้อที่หนึ่งขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะคะคือทั้งระบบะบุคลากรการวางแผนการอะไรต่างๆเนี่ยพวกเราจะไม่ค่อยมีระบบนะค ะ, ะทีนี้ เมื่อไม่มีระบบนะคะมันก็จะส่ ง, สงถึงถึงการต้นทุนขาดแรงงานนะคะตัวนี้ขาดแรงงานแรงงานเนี่ยคื อ, อคนอโศกนี่นะคะจะเข้ามาโดยทุกรูปแบบที่เข้ามาพอเข้ามาเสร็จแล้วทีนี้เขาจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะคะเราก็ให้เข้าไปในในสวนตัวนั้นแหละจะรักหรือไม่รักอะไรก็เอาให้ํานะคะก็เลย มันก็ขาดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยบริหารจัดการเรื่องบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้วยนะคะองค์ความรู้ความสามารถอของเรื่องการพาณิชย์นี้ด้วยก็ขาดด้วยนะคะขาดการจัดการขาดแรงงานแล้วก็เมื่อขาดแรงงานก็เป็นการผลิตไม่ทันนะคะผลิตไม่ทันกับความต้องการของของชุมชนเรานะคะอย่างเช่นเวลาขอ ออเดอร์มาอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้ตรงเป้าของออเดอร์ทุกวิชาทุกสินค้านะคะโดยเฉพาะในบ้านราชเรานี้แหละบอกว่าเอาสิบโหลเอาห้บโหลไม่เคยได้เต็มเลยนะคะเพราะว่าขาดแรงงานนะคะแล้วก็มันก็ส่งผลอีกมีปัญหาก็คือเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ราชธานีอโศกน้ำท่วมนะคะเราจะต้องย้าย เ, าเวลาเราสั่งของ น้ำท่วมมานีิเราต้องย้ายการผลิตไม่ว่าจะอะไรทุก ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นพรุ่งนี้เราก็ต้องไปขนย้ายข้าวนะคะซึ่งจากลงสีน้ําท่วมนี่นะคะเราก็จะต้องไปขนย้ายขึ้นมาเพราะว่ามันก็จะส่งผลถึงการที่เกิดความฟุ่มเฟื่ยนะคะเกิดความฟุ่มเฟืย่ยเสียงบประมาณมากมายนะคะแล้วก็ขาดการต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีนะคะต้นทุนการผิดก็ไม่ไม่เหมาะสมนะคะ ผลิตไม่เหมาะสมด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะ น, นี้กลุ่มต่อไปใช่รครับแล้วกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มนี้เสร็จแล้วค่ะจุดอ่อนเนี่ยผมฟังว่าสามเรื่องนะครับซึ่งต้องแก้ใหญ่อันนี้คือเราไปหาได้ใช้ระบบจิตอาส า, าใช่ใชมแบบแบบชุมชนด้วยแบบคอบครัวใหญ่ พิษณุสเปนชุมชนแบบชุมชนแต่พอเราจะทํางานใหญ่ขึ้นเอาเข้าวสามแสนตันเนี่ยดูเหมือนว่าทางกลุ่มคิดว่าการไปหารเชิงระบบยังขาดอยู่ใช่ไหมครับนี่เป็นคําพูดผมคําว่าเชิงระบบคือภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าต้องมีการวางแผน planning แ, แล้วก็ doing PD แล้วก็เช็คเช็คคือเช็คว่าไอ้ต้นทุนเป็นยังไงมีขาดอะไรบริการถึงเช็ check คในระบบนะครับพอเช็คแล้วเขาจะมาประเมินแล้วกลับไปทําใหม่ นี่แล้นี่มันต้องบันทึกทั้งการเงินทั้งการบัญชีไอ้วันนี้ที่เรารู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยที่เรากาลังหาก็ต้องมาสุกกันใช่ไหมครับคือบทเรียนทีนี้เราทําครบอย่างที่ผ่านมายังค่ะคราวนี้คือ ท, ที่ที่พูดว่าเป็นจุดอ่อนของฝ่ายการเคือทําไม่ทำแต่ทำแต่ไม่เป็นระบบค่ะร้านโจหวยต่างกับเซเว่นตรงไหนรู้ไหมครับระบบค่ะแล้ววันนี้ใครขายเซเว่นไม่เห็นเท่าแก่นะ เขาแก่มันไปตีก๊อฟที่ไหนก็อีโนไม่รู้แต่มันให้ใครลูกหลานเรามานั่งขายเซเว่นอใช่ไหมแต่ใครรวยเขาแก่รวยทำไมเพราะเขาจัดการเชิงระบบเขารู้สต๊อกทันทีไหมตอนคิดเงินรู้ไหมูตัดสต็อกแล้วเติมเติมสต็อกทุกคืนไหมทุกคืนแล้วสากลนศกทําแบบนี้ยังยังค่ะบันทึกราคาด้วยเครื่องหรือยังมันทุกราคาตัดสต็อกเสร็จกลางคืนเติมกลางคืนเห็นไหมการกาเติมสินค้าจัดห้างเห็นไหมเชาวขายเลย24ชั่วโมง มันถ้าเราจะจัดการแบบใหม่เพื่อแบกรับภารกิจที่ใหญ่ขึ้นเราต้องเปลี่ยนการจัดการเชิงระบบเชิงชุมชนเชิงจิตอสามาเป็นเชิงระบบอันนี้ใช้จิตอาสาได้ไหมได้แล้วจิตสาสายางเดียวจะไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวต้องมีการบริหารจัดการเพิ่มพลต้องมีการอาจจะต้องให้คดบแทนไหมใช่ไหมครับแล้วต้องมีการลลงผมสมัยผมผมก็ตังถูกจํากัดผมก็ลงหาอาสาเพิ่มต้องหาเครือข่ายเพิ่มไหม อาสาเพิ่มที่อยู่นอกอโศกอะนอกอโศกต้องหาไหมอาสาโดยการจะจ่ายตังค์ด้วยกระดาษบวกกันใช่ไหมครับงั้นต่อไปเราต้องเอามืออาชีพเข้ามาไหมอย่างไตัวเนี้ยคนอาโศกจบคอมพิวเตอร์กี่คนผมนี่ทําไม่เป็นอ่ะยกมือเลยจบบัญชีแท้แต่ตอนจบบัญชี ไ, ไปเข้าวิชาค่ายหนีวิชาคอมพิวเตอร์สอบตกเลยงั้นคนคนอโศกรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไหมที่บันทึกเครื่อง <ต>มีแต่น้อยค่ะตอนนี้ก็คือการเป็นมืออาชีพก็คืออะไรครับเอาสิ่งที่ชาวโสมไม่มีเข้ามาแล้วตรงนี้ต้องจ่ายตังไหมต้องจ่ายเราะั้นระบบจิตราสาก็อาจจะต้องยกตัวขึ้นมาเอาเอาสิ่งนี้เข้ามาเพรไม่งั้นก็จะมีข้อจํากัดใช่ไหมครับแล้วการตลาดที่มีคิดพูด4ี่ห้ากลุ่มตรงนั้นน่ะถามว่าคนใช่คนโสมไหมที่รู้เรื่องคนนั้นผมยังไม่รู้เลยเนี่ยพวกชาวทศกศชาวกปวศรู้บ้าง กำลังคุยกับสวิตแก้วหนูอยู่รู้เฉพาะแต่คนเหล่านี้เรารู้จักทำไมเนี่ยครู้ไหมเพราะไม่คนนอกอาศรกันเลยใช่ไหมออมันต้องอาศัยนกต่อไหมตัวเชื่อมตัวเชื่อมเป็นคนอาศพรพอไหมยังมีตัวเชื่อมไหมยังเนี่ยนี่มีชาวอาศกที่ตอนนี้ขาดแรงงานมีมีแต่น้อยค่ะแต่ว่าเมื่ออาชีพแล้วก็แล้วก็ คนเชื่อมเนี่ยคนอาสาใช่ไหมก็เรียกพี่ผมใช้นกต่อคือแกนร่วมแนวร่วมกนมีบ้างค่ะแต่ยังไม่ยังไม่ทั้มาล่วมจ่อตลาดเนี่ยเราต้องอาศัยคนในเมืองใช่ไหมครับก็ถ้าภาษาธุรกิจใช้เรียกว่าเซลแมนแต่เราใช้เซลแมนไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้ความเป็นแนวร่วมของคนชั้นกลางในเมืองมันอันนี้คนอาศกตอนี้ขาดแรงงานอยู่แล้วต้องหาใหม่ไหมครับถ้าจะจัดการเชิงระบบต้องไหม อันนี้ก็คือว่าเหมือนเซเว่นอีเว้นเขาตั้งโรงเรียนเซวขึ้นมาเอาลูกหลานเราไปอยู่เป็นลูกจ้างแล้วฆ่าตัวตายทุกวันไปเปิดเครื่องมือเครื่องเวฟเวฟอาหารมันลูกหลานเราก็ตายทุกวันแต่คนรวยคืออาเซียอันนี้มันเราจะสร้างแนวรูมยังไงนะครับก็จุดอ่อนที่3คือขณะนี้เนี่ยอโศกกำลังต้องขาดแรงงานเพราะรุ่นนี้กําลังผมข่าวขึ้นเรื่อยแล้วก็กําลังยืดอายุตัวเองด้วยการแมโครไบโอติกเรื่อยอายุไข สิเก่าไงฮะใช่ไหมมันคนของเราเนี่ยกำลังยืนเพราะว่าเสื่อมสุดลงไปเรื่อยๆต่างกับเมื่อสามสิบปีที่แล้วไหมแต่คณะการผิดที่พ่อท่านวางเป้าสูงขึ้นไหมสูงค่ะแต่คนของเราเป็นไงครับลงดาทั้งจํานวนแล้วก็เลี้ยวแรงค่ะเพราะวัยนั้นอันนี้คือโจทย์ของเราไหมจะเป็นโจทย์ถ้าเป็นโจทย์ก็ต้องหาคนกลุ่มใหม่เพิ่มโดยวิธีใหม่จะใช่วิธีทําไม่ได้แล้วเพราะทุกใช้ธรรมะ เดินคนเข้ามาแสวงโชคใช่ไหมนายดิแล้วมมีญาติธรมแต่วันนี้ต้องหาคนกลุ่มใหม่ไหมครับอันนี้ก็คือโจทย์ของพาณิชย์ละใช่ไหมครับหาแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เข้มข้นอะไรทํานองเนี้ยค่ะแล้ววันนี้เองคนคนที่เข้าอาโศก ท, ที่ที่ผมถามกลุ่มสือ่อว่าเป็นใครเป็นกลุ่มสวและเป็นกลุ่มคนในชนบทแต่แนวอ น, น, นาคตอโศกจะมาอยู่ที่ไหนครับ ในเมืองหรือในชนบทในเมืองค่ะแล้วโสมีใครที่จะคนคนรุ่นใหม่มาคนในเมืองที่มาต่อเรื่องธรรม ะ, ะพี่เราต่อการบริการ <Mayor of S 1> มีอยังครับคนเหล่านี้คือคนศรัทธาในเมืองก็คือญาติธรรมในเมืองใช่ไหมครับญาติธรรมในเมืองสิทธิ์แล้วเขาเป็นคนชั้นกลางหรือเป็นชาวกเกษตรในเมืองก็ชั้นกลางนะญาติธรรมนี่เขาจะเป็นชนชั้นกลางอย่างผมค่ะซึ่งทํานาไม่เป็นแล้วพ่อทํานาเป็นพ่อผมเป็นชาวนานะครับแต่ผมทําไม่เป็นชาวนาบนตัวเลขค่ะ หากินบนตัวเลขทําบัญชีงั้นเราต้องเราต้องเปลี่ยนกลุ่มไหมครับเปลี่ยนค่ะถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะได้ลูกหลานเราที่เป็นอยู่ในเป็นเท่านว่าเองแต่ว่าเราขับเข้ามาในเมืองไม่ได้คงั้นงานของพ่อท่านต้องลุกคืบไปในเมืองไหมลุกคืบค่ะเพื่อมวลมนุษยชาติกว้างใหญ่ค่ะก็โชคดีที่เรามี FM แต่ว่าอาจจะไม่พอเพราะ FM มันพูดได้ไม่ทุกเรื่องเหมือนพวกเราพูดใช่ไหมครับค่ะ ก็ฝากไว้ว่าอันนี้การบริหารเชิงระบบที่ที่ทางกลุ่มพบจุดอ่อนเนี่ยแต่การแก้จุดอ่อนไม่ได้ทํำง่ายๆเฉพาะ ช, ชาวโสดเพะต้องพัฒนาขีดความสามารถใหม่มอีกหลายเรื่องใช่ไหมครับก็เดี๋ยวฝากคิดพรุ่งนี้จุดที่3ามข่าราย ง, งานพูดไปแล้วเอากลุ่มต่อไปครับเชิญครับเอา <sk> ตบมือให้หน่อยกลุ่มเมืกี้นี้อันนี้ถ้าเชิงระบบไม่พัฒนาก็จะแบกรับภารกิจแสนตันไม่ได้ครับค <c oughs> รับขอกาสนะครับกลุ่มกสิกรรมนะครับ เราพูดถึงจุดอ่อนของเรานะครับจุดอ่อนที่ เ, เรื่องที่เราคุยกันมาก็คือเรื่องของกระสีกรรมเนี่ยนะครับคือเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งซึ่งกําลังก็กำลังแก้ไขอยู่อย่างเรื่องโครงการข้าวสารตันเนี่ยเราก็ทําเรื่องของเมล็ดพันธุ์ให้กลุ่มชาวนากลุ่มหนึ่งเนี่ยทําเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวให้ให้กับเราซึ่งเรากําหนดไว้ประมาณร้อยตันนะครับร้อยตันเนี่ยจะเป็นเฉพาะ เ, าะเมล็ดพันธุ์ส่วนที่เหลือปริมาณพันเ้า้อยตันเนี่ยก็จะเป็น เป็นข่าวหลักที่เราจะส่งตลาดอันนี้เราก็กําลังแก้อยู่แต่สิ่งที่พี่น้องกัง Пон วลที่ระดมกันมากคือการเมเล็ดพันธุ์เรายังไม่ทํากว้างทําจุลน์นมากอย่างหลายอย่างเรายัางต้องซื้อตลาดอยู่ซึ่งก็กําลังพัฒนากันอยู่นะครับทุกชุมชนกํกาลังทําเรื่องเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็เป็นจุดจุดอ่อนจุดหนึ่งที่เรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับของของเรื่องเกษตรกรรมซึ่งเรากาลังพัฒนาไปสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์เองเป็นคลังแก่นเชื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดอ่อนที่ที่เราพัฒนาไปสู่นะครับ อีกอย่างนึงก็คือเรื่องการบริหารจัดการที่ดีนะครับการบริหารจัดการยังยังเราจะทําโครงการใหญ่ๆขึ้นมาสักเรื่องนึงเนี่ยมันขาดแรงงานขาดคนขาดขาดผู้บริหารที่ดีเราเรายังขาดมืออาชีพเพียงแต่ว่าเราคิดกันเองมีความมีความจริงใจมีใจที่จะลุยงานเรื่องนี้เราก็คิดกันขึ้นมาแล้วก็ทํากันไปซึ่ ง, ซ, งซึ่งแรงงานไม่พอทั้งเรื่องยานพาหนะทั้งเรื่องคนที่จะไปช่วยองค์ประกอบต่างๆอันนี้การบริหารจัดการของเราก็ยังขาด นะครับอันนี้คงเปจุดอ่อนของเรื่องของการกษตรกรรมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ของเราไม่แน่นอนนะครับอย่างอย่างมบนราดก็น้ําท่วมต้องย้ายไปย้ายมาทําก็ทําเป็นพืชล้มลุกชั่วคราวในชุมชนนะครับส่วนที่จะทําเป็นพืชยั่งยืนพืชอะไรต้องหาที่อื่นแล้วก็ที่ก็ห่างห่างชุมชนออกไปการเดินทางอะไรก็ลําบากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นก็เป็นจุดอ่อนของเรื่องของกสิกรรมนะครับหลักๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ การสื่อสารหรือการขยายไปไปสู่องค์กรอื่นหรือไปสู่ชาวบ้านอื่นก็ยังก็ยังน้อยอยู่นะครับอย่างเรามีองค์ความรู้แต่เราจะเผยแพร่ไปเนี่ยมันก็ยังข า, ขาดขาดเรื่องนี้อยู่นะครับขาด<ๆ>คนสืบทอดนะครั บ, บการศ <Ao. S 2> ึกษ <quela S 1> <ง>าที่จะย่างเงย็นหรือองค์กรเราจะยั่งยืนไปได้เนี่ยการศึกษาต้อง ส, บอองสืบทอดนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญคนที่จะมาเข้าเรียนรู้อย่างเรื่องของกสิกรรมเนี่เป็นงานที่หนักเป็นงานที่เปื้อนเป็นงานที่สมบุกสมบันนะภาษาอีสาน คนก็เยาวชนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยสนใจนะครับก็ขาดเยาวชนขาดคนสืบทอดอันนี้ก็เป็นจุดจุดอ่อนที่สำคัญในเรื่องของกสิกรรมนะครับคณะทางานก็อยู่ในการจัดการนะครับก็ประมาณน <k well> ี <sk> ้นะครับคร่าวๆก็คงจะมีแจ้งเท่านี้ครับดอบมือนะครับก็ซ้ากันกับกลุ่มกลุ่มพาณิชย์นะครับคือเรื่องแรงงานแต่ที่ต่อยอดมาคือเยาวชน ซึ่งเป็นโจทย์การศาว่าการศาเนี่ยจะเอาปัญญาหรือจะให้ทําการผลิตต่อเนื่องจากจากทั้งในอโศรและนอกศูนยครับเรื่องที่สําคัญคือพื้นที่ปลูกของราธานนี้เองแล้วก็นี่พูดเฉพาะลาธานเนะครับพื้นที่น้ําท่วมครั บ, รบพื้นที่อื่นอาจจะไม่ท่วมแต่ว่าพื้นที่นี้ถ้าจะเป็นฐานใหญ่ผมนักรบเก่าบอกเป็นไม่ได้หรอกหนีน้ําไม่ได้ครั บ, รบก็นี้ได้เฉพาะคนแต่พื้นที่ปลูกนี่เป็นประเด็นแล้วก็ความรู้แล้วก็พันก็พรุ่งนี้ก็คงต้องหาทางแก้ ว่าจะแก้ยังไงนะครั บ, รบเพราะว่าโจทย์อนาค ต, ว, า ว, าคตคาว่าแล้วโจทย์อนาคตที่สําคัญถามว่าอะไรที่สําคัญที่สุดครับถ้าจะต่อเนื่องคือการสืบทอดอันนี้ครับครั บ, รบนี่คือเป็นปัญหาใหญ่มากวันนี้วันนี้ทําให้ภาคเกษตรถ้านอกนอกอโศกเนี่ยพึ่งอะไรครับรู้ไหมรถแล้วเป็ น, นี่เครื่องมือเครื่องจักมันถ้าชาวอโศกจะพึ่งคนก็ต้องสร้างไ อ, ไอตัวน้อยพวกเนี้ครับถ้าไม่สร้างก็ต้องไปพึ่งเครื่องจักรซึ่งก็ต้องเป็น พลาดแต่พียเดียวโศกต้นทุนต่ําอยู่แล้วเพราะไม่มีต้นทุนข้แรงใช่ไหมครับแต่ว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ทั้งประเทศเลยแล้วตอนนี้เราก็หนีไปเอาแรงงานพมา่าลาวกันเป็นแถวเลยในภาคเกษตรนั้นนี่โจทย์ใหญ่ของอโศกเลยนะครับของของอโศกทั้งโศกอาจจะเจอไม่ใช่เรื่องน้ําท่วมนะครับจะเจอเรื่องนี่ครับดอลลาร์มากวานซื้อลถไฟลังคู่มาแล้วครับปีหน้าเจอแน่พื้นที่ไม่รู้ใครจะแจ็คพอต ที่ขึ้นสูงจริงแต่ว่าที่ก็เป็นของใครครับในที่สุดทุนต่างชาติของต่างชาติเพราะฉะนั้นอันนี้เชื่อว่าหลายโศกจะต้องโดนรับพื้นที่การผลิตในของชาวนาจะต้องโดนเหมืนก็ความไม่แน่นอนเรื่องพื้นที่การผลิตนี่จากน้ําท่วมภั ย, ยพิบัติและจากทุนโลกทุนนิยมที่สามานทุนสามานครับเพราะฉะนั้นอันนี้ชาวโศกเองสู้ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเงินเราเท่าไหร่สู้เขาไม่ได้เฉะนั้นโจทย์นี้เป็นความไม่แน่นอนทั้งคนและทั้งพื้นที่ แต่ความรู้เนี่ยอโศกมีขณะนี้หลายหลายหลายหลายพื้นที่ใช้การเพาะพันธุ์ของตัวเองเป็นศูนเพาะพันธุ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็อโศกก็ต้องคิดมากขึ้นทำเป็นเรากําลังคิดทําเรื่องคังแก่นเชื้อเรื่องของเมล็ดพันธุ์อยู่นะครับเม็ดเมดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่แต่ซีพก็ครอบงาไปเยอะแล้วขอพูดตรงๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตอนด้วยขยายไม่ได้เพราะนี่อันนี้เป็นโจทย์ที่พรุนี้ต้องแก้กันเนาะว่าโจทย์ใหญ่คือเยาวชนเนี่ยกับพื้นที่ปลูกนี้คงแก้ไม่ได้ ก็แต่ว่าก็ต้องจํากัดต้องตกลงกันระหว่างอาศรกระหว่างอาศว่าใครจะเป็นพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่กันครับขอบคุณมากกลุ่มสาวายมีไหมครับอ่าบริการเดี๋ยวอธิบายต่อจากพันจุดแรกคืออะไรอันเดียรผมใส่ตรงนี้ให้ว่าเรื่องบริการบริการคหัวใจค่ะงานกลุ่มบริการนะคะจุดอ่อนก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องอารมณ์นะคะแน่นอนว่าถ้าลมไม่ดีเนี่ย เรื่องของความเบื่อนายอะไรขี้เกียจอะไรเงี้ยถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยการบริการย่อมไม่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเรื่องของงานล้นคนก็คือขาดแรงงานก็เหมือนทุกๆฐานนะคะทําให้การบริการไม่ทั่วถึงและก็ไม่ดีพอนะคะต่อมาก็เรื่องการขาดการประสานงานค่ะก็คือการประสานงานทําให้อา่าไม่มีงานไม่มีระบบอะคะ่ะ การติดต่อประสานงานการทําให้งานเกิดเราจะไปช่วยใครเนี่ยเราจะไปบริการใครมันก็ทําให้บริการได้ไม่ดีนะค ะ, ะข้อ4นะคะเรื่องของทุ น, นะคะ่ะเงินคือถ้าเราขาดเนี่ยมันก็ทําให้บริการได้ในในจำกัดนะคะมันไม่กว้างพอนะคะข้อ5นะคะขาดอุปกรณ์เรื่องของอุปกรณ์ขาดอุปกรณ์ ต่างๆนะคะ <c oughs> ค่ะก่อนสื่อสารอันนี้รวมเรื่องของการขาดขาดแคลนอุปกรณ์ในการที่จะใช้บริการนะคะที่จะทํางานบริการะคะ่ะค่ะเป็นเรื่องของเรื่องของอารมณ์ค่ะค่ะแล้วก็ศิละปะในการบริการก็ ผมก็เห็นป้ายดีผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเสียเพี้ยนเนี่ยมันเป็นภาษาอีสานมันเป็นมันเป็นค่ะหอกปากทิ่มแทงแบบไม่มีศิลปะค่ะค่ะอันนี้น่าสนใจนะครผมคนนอกขอวิจารณ์ในแง่บวกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้อารมณ์ทํางานมีเรื่องอารมณ์บัดคําออกมาเนี่ยคำบนเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งบวกงดกิจมางกิจอาสาทางทุ่มเทก็ไมายควาว่าคนอโศกเนี่ยใช้ใจทํางานซึ่งต้องมีทั้งสองด้าน แต่มันออกมามากเหลือเกินออกมามากกว่ามันก็น่าวิเคราะห์ต่อนะครับผมไม่ใช่นะหมอไม่ใช่จิตวิยาไม่ใช่จิตแพทย์นะครับแต่ว่าเมื่อโอศกใช้จิตอาสาเนี่ยผมไม่ได้พูดนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้จิตใจทำงานแต่ว่ามันก็เมื่ออยู่ในภาวะเดียวกันตลอดแล้วแบกรับตลอดเนี่ยมันภาวะความเครียดก็สะสมแล้วผมวิเคราะห์เองนะครับว่าคนโศกเรียกร้องตัวเองสูงว่ายน้า ทวนกระแสลดกิเลสตัวเองแล้วก็เรียกร้องตัวเองเหมือนสมัยคอมมอนิที่ผู้ผมเคยเรียกร้องตัวเองอะ่ะเขาเรียกว่าเสารีไม่ได้เลยเราถูกวิพากวิจารณกันแหลกละแล้วการวิพากวิจารณเชิงลบนี่ก็ยิ่งเครียดหนักครับอีกสมัยผมนะฮะผมเลานั้นผมวิเคราะห์ว่าชาวโศกเนี่ยกำลังเรียกร้องตัวเองสูงแต่ผมไม่รู้ว่ามีภาคกันเองหนักหรือเปล่าแต่ก็ผมว่าความเครียดเนี่ยสะสมทางอารมณ์เพราะว่าอโศกอาจจะเคร่งตัวเองสูง ก็ไม่รู้เพราะพเมพออกมาโอ้โหเป็นเรื่องของจิตอาสาบ เ, เรื่องอันนี้ก็เป็นข้อสะท้อนที่ผมเห็นจากกลุ่มนี้นะว่าแล้วงงานบริการนี้ต้องดูแลทุกคนไหมแล้วจะถูกเรียกร้องจากทุกคนไหมนี่ไงครับเพราะไหนจะเรียกร้องตัวเองแล้วถูกเพื่อเรียกร้องอีกแล้วเพื่อนก็วิจารณ์ตรงไปตรงมาอีกเพราะว่าทุกคนถือศีล น, นี่ใช่ไหมก็พูดตรงๆแ ต, ต่โดยไม่รู้ตัวมันก็ทําให้ทําให้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็น ผมสะท้อนจากการเห็นบัตรคำเยอะนะว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงในด้านดีมันเกิดพลังขับเคลื่อนแต่ในด้านที่มันเกิดอารมณ์ออกมาเยอะมากนะครับก็เป็นเป็นแลกเปลี่ยนกันแล้วกันแต่นี้ทางแก้ก็คงต้องไม่รู้ มัจฉิมาปฏิปาทาท้แกก็คือพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์วันหน้า ก, ก่านี่ค่ะก็เรียกร้องสูงไ <c> ป <oughs> อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งนะเพื่อบรรลุหลักก แ, แต่เรื่องฟังพรุ่งนี้เขาจะแก้อย่างไรเพื่อให้การบริการมีสมดุลทั้งผู้ให้และผู้รับใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะบริการที่ดีเนี่ยผู้ให้ต้องมีความสุขผู้รับก็ต้องได้ความสุขไปด้วยแล้วก็ได้ธรรมะไปในตัวทั้งสองฝ่ายเพราะพวกเราเป็นชาวสุขแต่ว่าพรุนี้ค่อยดูเขาแก้อย่างไงแต่ว่าโจทย์งานบริการเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นเครื่องมือเลยมาพูดมาเี่่ยวาาารรลอออุปกณ์จจะไมพ นะครับแต่เรื่องคนเนี่ยก็เดี๋ยวไม่พูดแต่ว่าสะท้อนมันเป็นอารมณ์มีคำว่างุนงิดฟุ้งซ่านไม่ฟังคนอื่นอันนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์สัญญาณในทางในทางอะไรครับในทางไม่ดีเพราะว่าแต่ก็ผมเชื่อว่าชาวศพผ่านยุคผ่านสมัยมาหลายมาหลายปีนะครับก็พรุ่งนี้คงมีทางทางออกว่าจะแก้ยังไงเดี๋ยวฟังเขานะครับก็ตบมือให้หน่อยครับก็เขาพูดมาที่สาคัญคือเรื่องนี้ครับ ทุกกลุ่มเป็นประเด็นเดียวกันคนน้อยกว่า ง, งานคืออโศกนี่งานเยอะมากทำทุกเรื่องครับจะเขียนว่า ง, งานมากกว่าคนก็ได้นี่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือจะเขียนว่าก็คืองานมันมากใช่เป็นความเจริญแต่ว่ามันก็เกิดความไม่เจริญทางอารมณ์ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้นคนเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่ของชาวโศกเลยว่าจะสร้างสมดุลในตัวเองได้อย่างไรสองเนี่ยจะหารุ่นที่สองมารับมาอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เห็นจุดร่วมนะครับอันนี้ก็ฝากพรุ่งนี้ฝากช่วยกันเชิญครับเข้ามาตรงกลางเลยครับอันนี้เรามาพูดจุดอ่อนของการศึกษานะคะการศึกษ า, กาจุดอ่อนเนี่ยเราต้องพูดด้วยความสุนทรีนะคะ เพราะฉะัน <laughs> ถ้ามีสารมากคนฟังจะปวดหัวแต่ว่าไม่ถึงกับเคลือบไว้หมดสุนทรีเล็กน้อยข้อหนึ่งเรารวบรวมบอกว่าเพราะว่าทิฏฐิไม่เสมอกันก็เลยเกิดปัญหาความเห็นหลากหลายฉันก็เก่งเธอก็เก่งไม่ฟังใครแสดงว่าปฏิบัติทรรมแล้วก็ยังฮ <laughs> ก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันเพราะฉะนั้นจิงโยงมาสู่ข้อ3เพราะท่านบอกว่าพวกเรามาเถอะมาเรียนวอ น, นบอเพื่อไปสู่โล ก, กุตรชนโดยมาเรียนสมวิชาคือวิชาที่หนึ่งคือพุทธชีวศิลป์การใช้ชีวิตอย่างอย่างพุทธเยวมีศิลปะอย่างพุทธต้องมาเรียนที่นี่ที่เดียวข้อ2เอ้ยวิชาที่สอง สรรค่าสร้างคนก็คือเลือกสรรค่าสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พวกเราเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประโยชน์แก่คนอื่นแล้วก็วิชาที่สามคื อ, อศึกษาวิชานี้แล้วไปสู่จุดมุ่งหมายถึงมิติที่8ถึงมิติที่สิบเลยถึงพุทธภูมิเลย <c oughs> ก็เป็น <c oughs> <c oughs> ก็เป็นคนสุดยอดเพราะว่าโดยปกตินักปฏิบัติธรรมก็ใช่ว่าจะ เลิศเลอเพอร์เฟกใช่ไหมฮะอย่างตัวเองก็ไปแบบทรมานาก็คิดว่ายังพร่องตั้งหลายอย่างพ่อท่านก็พูดอย่าให้กีเลสกดหัวจะยอมให้มันกดหัวทั้งชาติได้ไงมีดีก็ต้องเอาแต่นี้ดีก็ไม่ค่อยเอาเอาน้อยๆยเพราะฉะนั้นมาตามพ่อท่านนี่ข้อหนึ่งข้อสองพูดแล้วนะคะเพื่อไปสู่สมโลกหนึ่งอะไรโลกอะไรโลกอะไรโลกอะไรโลกที่หนึ่ง โลกตุตรจิตเหนือโลกสองโลกกวิูรู้โลกสาโลกานุกับปัยะก็ช่วยโลกที่นี่ก็สองขาดบุคลากรนี่ทุกๆหน่วยงานก็ขาดแต่พ่อท่านบอกว่าขาดคนนี่คือสัญญาณของความเจริญเพราะที่นี่งานตกคนไม่ใช่คนตกงานคนตกงานก็คือเกิดความเสื่อมเพราะฉะนั้นทุกคนก็เชิญชวนให้มาลดลด ให้งานเท่ากับคนให้ดีมาเท่ากับซัพพลายก็สามข้อแค่นี้ค่ะปัญหาจุดอ่อนการแก้ปัญหาการศึกษาที่จริงการศึกษาก็ต้องเจาะลึกต้องต้องติดตามตอนต่อไปจนจบปีสนะคะถึงจะจบหรือว่า จ, จุดอ่อนนี้ไม่ได้มองเป็นระดับนะครับที่นมองอวรวมค่ะมองรวมเลยจุดอ่อนที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอันนี้ผมโฉก็เชื่อว่าอันนี้เป็นประเด็นของของการเรียกร้องกันเอง แล้วก็สร้างความเครียดให้กันเองเพราะว่าทุกคนปฏิบัติไม่เท่ากันแต่ว่าความเรียกร้องว่าต้องเท่ากันเนี่ยมันซึ่งมันมันก็เกิดความตึงเครียดนะเพราะอันนี้เพราะว่าถ้ า, ถ, าถ้าจุดอ่อนที่ที่เห็นนี่ก็น่าสนใจว่าเห็นจุดอ่อนแล้วละแต่ว่าแต่ว่ายังลึกๆก็ยังเข้มงวดกับตัวเองทุก ท, ทุกท่านใช่ไหมครับพราะงั้น ก, ก็ก็จะเป็นแล้วไอ้นนี้ก็เป็นผลเป็นผลของของของของที่ของเจ็บใช่ไหมครับ อ, อันนี้ก็เป็นไปในเรื่องคน ก็เกิดพฤติกรรมไม่นี่เป็นผลทั้งอะไรผลพฤติกรรมไม่สูงแต่นี้ที่เขียนนี่หมายความว่าไงเรียกร้องให้ไม่มีตัวตนหรือไงต้องให้คนเขียนอธิบายครับเพราะที่ฉันไม่ได้ในข้อนี้รูปมาเชิญเขาพู้เชี่ยวชาญอรูปอัตตาค่ะต้องขยายความเพราะว่ามันจะไขปัญหาเรื่องทนของเราของทีฉันไปได้ยังฮะได้ครับกลับขึ้นมาค่ะอรูปปาตานี่ก็ คว่าทุกท่านคงเข้าใจแต่ขออนุญาตอธิบายให้ท่านอาจารย์แล้วกันนะคะก็คือเชื่อหัวยเรืองค่ะความคิดของฉันดีเลิศฉันเก่งฉันคิดอย่างนี้สุดยอดแล้วเอาความสุดยอดเนี่ยไปกดดันบังคับนน้อมน้าวชักจูนพูดรอบแล้วเราให้ทําตามอย่างที่เราคิดอะค่ะยึดมั่นในความคิดของตัวเองเป็นหลักค่ะโดยใช้ความคิดนะคะความคิดของฉันเลิศยอดทางค่ะยึดความคิดค่ะก็ อันนี้มีการสะท้อนที่ชัดนะครับว่าหนึ่งเราไม่เท่ากันทางด้านธรรมะแต่สองแล้วเราไม่เท่ากันเรื่องอัตตาอัตตามากอัตตาน้อยและแต่เราสะสมมาก่อนเข้ามาโศกและอยู่ในโศกด้วยเพราะนั้นไอการที่มีอัตตาไม่เท่ากันที่ฐีไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เป็นเพื่อให้อัตตาเท่ากันแล้วไอประเด็นนี้ขาดวินัยเนี่ยผมสงสัยว่าก็ในเมื่อมีเศษทุกท่าน สิมากสิ น, น้อยแต่คำว่าขาดวินัยช่วยอธิบายหน่อยครับที่จริงเราเน้นประเด็นไปที่เด็กอะคะ่ะที่จริงข้อนี้นี่ที่คนที่เขาเลือกจุดอ่อนข้อ น, อนี้นี่เป็นเด็กระดับประฐมนะคะคือเด็กจะขาดวินัยนะคะยังไม่มีระเบียบวินัยนะค ะ, ะ่ผู้ใหญ่ก็มีอยู่บ้างค่ะอันนี้ตรงเน้นตรงจุดเด็กเพราะพอเราเอาสี่ระดับมารวมกันมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยชัดนักแต่ตรงจุดเนี้คือจุดของปฐมอะค่ะแล้วคาว่าไม่ต่อนเนื่องเนี่ยครับไม่ตอม่ตอเน<ม>ื่องหมายความว่า น, นี่คือเด็ก เด็กค่ะแล้วตรงไม่ต่อเนื่องในใครครับไม่ต่อเนื่องนี่หมายถึงว่าเวลาเรียนเนี่ยบางทีเด็กๆเนี่ยเขาเรียนอยู่นะคะมีกิจกรรมอะไรมาปุ๊บเด็กๆถูกดึงออกไปจากการเรียนนะคะต้องไปทํากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมช น, นะคะ่ะเช่นน้ําจะท่วมแล้วกําลังเรียนอยู่ให้เลิกหยุดเรียนนะเวลานี้ช่วยกันมาเก็บของที่นั่นที่นี่เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือถูกดึงออกไปแล้วค่ะอันนี้คือแก้ปัญหาชุมชนไงค ะ, ะคือการแก้ปัญหาให้ชุมชนผมรู้แล้วคืออะไรคืออยู่ที่อะไรครับ ตารางสอนกับตารางชีวิตตารางอสมตรงกันไหมไม่ตรงค่ะนี่ไงมันเหมือนกับแม้แต่คราวนี้ต้องเดี๋ยวต้องน้ำน้ําท่วงนี่เป็นเหตุสุดวิสัยนะยแต่การดึงออกจากฐานงานตัวไม่มีตารางสอนกันระหว่างฝ่ายผิดกับฝ่ายพาณิชย์กับฝ่ายห้องเรียนถ้าไม่สัมพันธ์กันนี้ตารางสอนจะเป็นไงครับก็มีโอกาสดึงกันไปกันมาทั้งศิลปะจารและทั้งนักศึกษาจริงไหมครับใช่ค่ะเหมือนจะกล่าว่าตารางการเรียนการสอนจะต้องไปบูรณาการกับทุกฝ่ายไหม ออันนี้คืแม้แม้เราพยายามนะคะอย่างอาชีวะนะะี่ค่ะเราก็พยายามจะจัดนะคะเราเรียกว่าตารางชีวิตนะะี่ค่ะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวิถีชุมชนแต่บางทีเหตุการณ์บางเรื่องเนี่ยเราไม่มันอยู่นอกเหนือการบังคับนะคะมันมาแบบรีบด่วนนะคะเร่งด่วนเราคิดว่าเราจัดให้สอดคล้องกันมากที่สุดละแต่เมื่อมีเหตุเร่งด่วนมาเนี่ยมันก็ยังมีอีกเพราะพว ก, พว ก, พ, วกพวกเรานี่จะมีกิจกรรมเยอะมากค่ะค่ะอ้าทีานี้ถามว่า เจ้าของฐานงานนั้นใหญ่บอกเฮ้ยแมไอ้หนูไปช่วยลุงน้อยกับอาจารย์ผู้สอนศิลปาจารย์ตรงนี้ใครใหญ่กันในกรณีอย่างนี้ว่าจะขอนักศึกษานักเรียนไปลุยงานหน่อยน้ําท่วมไม่ใช่ไปลุยงานการปลูกข้าวหน่อยนี่ไงคือการแบ่งบทบาทถ้าไม่แบ่งบทบาทไม่รู้ว่าใครตัดสินใจไม่ใช่ใหญ่ถ้าเท่ากันหมดทุกเรื่องมันไม่รู้ใครมันสั่งเด็กๆงงเลยประเด็นนี้ก็คือว่าหนึ่งตารางการสอนใช่ไหมครับสองก็คือว่าคนตัดสินใจ ว่าระหว่างจะได้เข้าเพิ่มขึ้นกับเด็กเสียตารางเรียนนะครับอาจจะช่างกันแล้วต้องตัดสินใจร่วมกัน <Okay. S 2> อันนี้ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าการตัดสินใจเริ่มจะต้องหาทางออก <Okay. S 2> นะครับแต่นี้คําว่าขาดวินัยนี่เด็กขาดพ่ออะไรครับช่วยขยายความและจะแก้อย่างไงเอายังไม่พูดถึงการแก้ แ, กแต่วิเคราะห์กันขาดวินัยหน่อยครับว่าเป็นพ่ออะไรอ๋อการขาดวินัยเหรอคะบางทีเด็กๆ เ, เขาอย่างเขามีกฎ ข้อบังคับอะไรไว้เนี่ยเด็กๆทําไม่ค่อยได้เพราะว่ากิจกรรมเยอะเด็กเขาจะเหน็ดเหนื่อยมากบางครั้งเขาจะมาไม่ตรงต่อเวลานะคะไม่มีวินัยอย่างเช่นเรานัดหมายกันว่าเท่านั้นเท่านี้โมงอ่ะสามโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ารวมตัวบางทีเด็กๆเขาก็เหนื่อยมากนะคะเขาก็เลยมาไม่ทันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยมีวินัยในเรื่องพวกนี้แต่เราเห็นใจเขานะคะเราก็จะเอารูปมาหวยกันแม้แต่ในรายวิชาของอาชีวะเนี่ยเราสามารถให้ช้าได้15้านาทีนะคะ เพราะว่าเราเข้าใจในความภารกิจที่มันมากมายนะคะกับความเหน็ดเหนื่อยนะคะอย่างเช่นลงปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวประกาศเรียกแล้วบางทีเด็กๆ ก, กําลังเรียนไปเข็นปุ๋ยกลับมาแล้วจะกลับมาเรียนในวิชาต่อไปคิดดูก็แล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นครูผู้สอนในรายวิชาต่อไปเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเด็กไปเข็นปุ๋ยกลับมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเข้ามานั่งเรียนอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับที่นี่คะ่ะตรงนี้ใครวิเคราะห์ต่อได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในโศกเองเ ร, เรให้การศึกษามาแค่ถูกต้องค่ะเราจัดการศึกษาไว้ว่านโยบายของของคณะกรรมการหรื อ, ห ร, อหรือทุกทุกพุทธาเนี่ยน่าจะให้น่าจะให้การศึกษาเนี่ยมาตอบโจทย์ของชุมชนชุมชนมีโจทย์ปัญหาอะไรบ้าง ท, ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยการศึกษาต้องมาสนองตอบตรงนี้ทีนี้ในชุมชนเราก็มีหลายองค์กรหลายฐานงานหลายหน่วยงานถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็อย่างอย่างลงปุ๋ยเนี่ยมันต้องมีคนมาซื้อปุ๋ยเรื่อยๆแล้วลงปุ๋ยไม่มีแรง ง, งานจ้างเป็นแรง ง, งานจิตอาสา ก็ต้องอาศัยนักเรียนอาศัยการศึกษาอะไรไปช่วยที่นี่มันก็จะกระทบกับการศึกษาที่เขามีตารางไว้อันนี้อันนี้เราก็จะเอาร่วมมรวยกันอันนี้ผมกําลังตั้งโจทย์นะครับถ้าเป้าใหญ่ขึ้นไหมในอนาคตคเป้าสูงขึ้นไหมในการผลิตของเราสูงขึ้นไหมครับสูงขึ้นสูงขึ้นหนึ่งเป้าสูงขึ้นเพราะท่านก็ตั้งเป้าใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ 2. ประเด็นที่เราพบปัญหาร่วมกันคือการขาดแรงงานใช่ไหมในอนาคใช่ครับใช่ครับแรงงานแรงงานอายุสูงขึ้นใช่ไหมครับครับ จึงต้องไปจึงเกิดแรงกดดันไปที่เด็กใช่ไหมใช่ครับไปเอาเด็กมาช่วยแปแรงงานตอนนี้เราก็หวังเด็กให้มีการศาึกษามีวินยัยอันนี้แหละครับโจทย์นี้พูดว่จะแก้อย่างไง ร, ระหว่างระหว่างการเพิ่มเป้าเราก็คาดหวังเด็กให้อยู่ในการศาึกษาแต่เร า, เ<อ>าจะงงาจะไปสู่จุดนี้ได้ก็คือมันต้องพัฒนาคุณธรรมลดเรื่องอัตราครูก็ต้องลดตัวเองว่ามันต้องเถอะเอาอย่างใจตัวเองไม่ได้มันต้องเอื้อกันไปเอื้อกันมา คือให้ทานตัวเองเพื่อได้แต่ว่าคราวนี้โจทย์เท่าที่ฟังทุกกลุ่มเนี่ยการขาดแรงงานเป็นประเด็นใหญ่เพราะนั้นมันก็จะเกิดการดึงดันแล้วเด็กก็จะไปถูก<ช>ดึ ง, ดงมึงขาดหนึ่งหงไปแขนหนึ่งไปนี่ <laughs> <laughs> <laughs> แล้วใเราะนั้นประเด็นนี้ไม่มีคําตอบไง่ายๆนะครับเพราะว่าแต่ผมเห็นปัญหาชัดเลยว่าการขาดแรงงานผู้ทุกกลุ่มเลยแล้วเสร็จแล้วก็เพิ่มงานทุกกลุ่มเลยเพิ่มปริมาณงานและคุณภาพงานเราะั้นเด็ก แล้วขนาดที่ผู้ใหญ่เริ่มโรยลงแต่ไ ม, ม่มีอัตราสูงขึ้นมีองค์ความรู้สูงขึ้นมีจิตอาสาพเพิ่มขึ้นแต่เด็กนี่เขาอาจจะอาจจะไม่อาสาถ้าพวกเราสองเขาต้องเรียนหนังสือแล้วถ้าฐานการเรียนกับฐานการอาชีพเนี่ยไอการการฐานงานเนี่ยมันมันไม่ตรงกันเนี่ยแล้วแรงงานมันไม่พอเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็ฝากทุกกลุ่มนะครับแต่ที่ฟังเนี่ยมันเกิดความเครียดในระดับการศึกษาด้วยระดับเด็กๆขอาการค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะครับขอกาสค่ะขอขอเรีนเสริมนะคะคือ อย่างที่พ่อจ่าพูดอะคะ่ะว่าการศึกษาของของเราเนี่ยต้องเป็นการศึกษาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชนนะคะทีนี้การเรียนการสอนก็จะอยู่ที่ครูค่ะแล้วก็ทางทางชุมชนจะต้องอเข้าใจกันทางฝ่ายการศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าในชุมชนต้องการอะไรเด็กก็ต้องรู้จักชุมชนของตัวเองนะคะว่าขณะนี้ชุมชนของเขาได้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกทางนี้คือการบูรณาการะคะ่ะ บางวิชาเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องไปบูรณาการอยู่ในลงปุ๋ยก็เป็นไปได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นทางวสวนะคะในวิชาของชีวิตและวัฒนธรรมไทยในหัวข้อของจิตอาสานะคะหรือจิตสาธารณเนะะี่ยค่ะเราก็พาณิชย์ลงไปขนปุ๋ยเลยะคะ่ะนั่นคือการที่จะช่วยแก้ปัญหาในชุมชนช่วยลดการขาดแคลนแรงงานในชุมชนช่วยให้กิจการของชุมชนซึ่งตอนนี้เรายอมรับว่าเรากําลังเป็นการสร้างบ้านแปลงเมืองอะไรอย่างนี้นะคะ ก, ก็ตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปด้วยกันได้แล้วก็เราก็สามารถวัดประเมินผลได้ด้วยค่ะก็ใช้การบูรณาการร่วมกันค่ะนะคะกับวิถีชีวิตและก็วิชาที่จะสอดคล้องในหัวข้ออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุรู้นั้นจะสามารถที่จะประสานกระทางฐานงานหรือจะมองร่วมกันอย่างไรระหว่าง ฝ่ายวิชาการและฝ่ายฐานงานที่เราจะบูรณาการร่วมกันในรายวิชานั้นๆนะคะซึ่งบางอย่างทําได้ดีบางอย่างก็จะมีข้อจํากัดเหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็สามารถทําได้ค่ะนะคะคำถามเร็วๆนะครับตารางการเรียนการสอนเรียนสาระเนี่ยการจัดฐานงานเนี่ยเด็กๆมีส่วนร่วมไหมครับในเด็กๆสามารถเลือกฐานงานได้นะคะโอเคเะั้นประเด็นนี้ก็จะลดแรงกดดันของเด็กแต่ว่าจํานวนคนเนี่ยเป็นปัญหาแน่เพราะขาดแรงงานทั่วทั้งประศบเลยนะฮะก็ พรุ่งนี้คงมีทางออกให้ให้เด็กๆได้เรียนด้วยความสุขแล้วก็เติบโตอย่างไรในระบบการศาึกษาของเราจนถึงวอนาบอนี่นะครับขอตบมือให้หน่อยครับยังไม่จบแล้วครับอีกนิดออได้ไหมคะ <c oughs> พอพูดถึงการศึกษาเห็นไหมว่าเริ่มเครียดแนละ้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณครูและเด็กต้องมีสุนทรีเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าให้สนุกกับการงานกับการเรียนนะไม่ใช่ครูก็เคร่ง <c oughs> เด็กก็เคร่งผลเป้าหมายก็คือสวนดอก ใช่ไหมคะแ ม, ม, ออรรม่นบอก็นั่นแหละถ้าว่าขาดสุนทรีต้องสุนทรีทรรไม่ใช่สาระมากสุนทรีมากเมื่ อ, อ, อกี้พูดเรื่องอัตราเขาบอกว่าให้อัตราเสมอกันไม่ใช่นะคะต้องลดแต่ละคนลดอัตรา คงต้องเอาจุดอ่อนไปเข้ากลุ่มใครกลุ่มมันไม่มีการสรุปรวมนะครับแต่ผมเห็นฟังปุ๊บผมสรุปได้สาประเด็นให ญ, ใหญ่หนึ่งคือเมื่อโศกใช้ใจทำงานเนี่ยมันก็มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันมีงานล้นเข้าไปขาดแรงงานและงานมากขึ้นก็แล้วก็มีอัตราที่เรียกร้องซึ่งกันและกันและมีทิฐิไม่เท่ากันมันก็เกิดความปัญหาในคนที่เป็นจุดอ่อนในจุดแข็งนะครับ จุดอ่อนคือทิศที่ไม่เท่ากันอัตราที่ต่างคนต่างสะสมทั้งนอกและในอโศกแล้วก็เรื่องที่สาคัญก็คือว่าความใบมางานที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วขาดแรงงานอันเนี้ยแรงงานล่วงโรยลงไปมันก็เกิดภาวะที่เป็นจุดอ่อนในในใจผมระพูดในใจแล้วก็ในในที่ออกมานะครับ นี่เรื่องที่ที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่1แต่ไม่ได้จัดลําดับนะครับเรื่องที่2คือเรื่องมันจึงเรียกร้องให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อรองรับเป้าหมายใหญ่และคนที่น้อยลงไปตอนนี้การจัดงานเชิงระบบจะทําได้ยังไงพรุ่งนีลง้ลองฟังทุกกลุ่มที่ว่าหรือฉพระกลุมพาณิชและกลุ่มการเผิดเนี่ยลน้นล้นเจอปัญหานี้คล้ายๆกันนะครับก็การจัดการเชิงระบบที่ต้องอาศัยคนเพิ่มขึ้นอาศัยเงินอาศัยการ อาสานอกนอกนอกอาศกมืออาชีพมากขึ้นมีแนวร่วมมียัติธรรมอาสาก็แล้วแต่ที่จะคิดนะครับแต่มาเรียกร้องให้มีการจัด ก, การเชิงฉลบงจากการจัด ก, การเชิงจิตอาสานะครับมากขึ้นผสมกันนะครับจะผสมกันยังไงตรงนี้ผมไม่รู้พรุ่งนี้อาจจะต้องช่วยกันคิดแต่ละกลุ่มฐานงานนะครับเรื่องที่สมคือจุดที่ขาดเลยคือการขาดแรงงานแล้วก็ทําให้การขาดแรงงานทําให้มันดึงดันกันระหว่างการศึกษาของเด็กของของนักศึกษาของ ลูกหลานชาวอโศกนี่นะครับก็เป็นปัญหาภายในซี่ซึ่งจะต้องแก้โดยวิธีไหนผมยังไม่ทราบพรุนี้ก็ลองดูแต่ละฐานงานจะคลี่คลายตัวเองได้ยังไงนะครับแล้วตัวเชิ่ที่สําคัญตรงนี้ก็คือว่าคลุหรือศิลปาจารย์ทุกระดับเนี่ยคลุหรือเรียกว่าคลุอะไรนะครับคลุครูอาจารย์อ๋ อ, อ ก, ก็คือศิลปาจารย์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องผ่อนปลนโดยการประสานงานส่งขึ้นระหว่างสองซี่นี่ครับฐานการผลิดฐานชีวิตกับฐานการศึกษา แม้แต่วรรณบอกผมก็เชื่อว่าต้องเผชิญสิ่งนี้เหมือนกันเพราะาต้องประสานกันสูงมากก็อันนี้เ ป, นเป็นประเด็นที่3มที่ผมฟังได้ส่วนอันนี้เป็นเปรีย่อยนะครับเรื่องวิทยรพันเรื่องความรู้กับเรื่องการฝึกทักษะเพิ่มขึ้นในการฝึกบันทึกหรืออะไรนี้ก็วันนี้เห็นชัดไหมครับผมไม่ได้บอกอไม่ได้บเคล้อนะทุกท่านบีคะห์ตัวเองสองซ่อกตัวเองนะครับก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่ๆร่วมกันได้ประมาณนี้ย จุดเด่นก็มี3เรื่องที่สําคัญแต่จุดอ่อนนี้ให้ไปแก้ของใคของมันนะครับไม่ไม่ไมรวมจุดเด่นที่สําคัญก็เรื่องคนอย่างที่ว่าคนเนี่ยเป็นจุดเด่นมากจุดเด่นที่สองก็คือเรื่องอการทําให้เป็นอินทรีย์ในในในฐานการผิดฐานชีวิตจะเรียกว่าฐานชีวิตแล้วกันนะครับทั้งผิดและขายเนี่ยแล้วจุดแข็งที่3ามิตภัณฑ์ของอโศกจึงเป็นผิตภัณฑ์ที่เป็นสุขภาพกับ สางพิษนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของอาศกแล้วก็มีตัวธรรมะแทรกเข้าไปในในการบริการสุขภาพการบริการผลิตภัณฑ <c oughs> ์ก็กําลังสะสมเป็นองค์ความรู้จุดแข็งที่สี่คือเป็นองค์ความรู้ที่จุดเด่นโทษนะครับการพึ่งตนเองการนี้เ ป, นเป็นเป้าหมายที่อาศกเด่นมาก <c oughs> สุดท้ายก็คือเรากําลังยกองค์ความรู้ของพ่อท่านของศาสนา พุทธวิชาของเราเนี่ยขึ้นมากับองค์ความรู้ของบรรดาศิลปจารย์ที่ชาวโศกขื้นมาเป็นหลักสูตร <c oughs> แล้วก็สื่อที่จะรองรับเพราะว่าโ ล, โลกสมัยใหม่นี้ที่พิชิตพูดเนี่ยเขต้องอาศัยสื่อเพิ่มเข้าไปแล้วโจทย์ที่ต้องคิดก็คือเยาวชนเนี่ยทั้งขาดแล้วก็ทั้งยังต้องอาศัยการสร้างสืบการสืบทอดเป็นประเด็นจุดเด่นที่อาจจะหยุดที่คนรุ่นนี้ก็ได้นะครับอาจจะยี่ปีข้างหน้าถ้าเราไม่หายเยาวชนมารองรับได้ ก็นี่เป็นจุดเด่นที่ที่สำคัญคืออันนี้คือเรื่องการศึกษาที่ต้องพูดคือนอกจากยกความรู้จากพ่อท่านจากพระพุทธเจ้าแล้วตัวที่พ่อท่านสร้างปรัชญานี้ขึ้นมานะครับสิ่งเด่นเป็นงานชั้นเชิเป็นหลักสูตรบูรณาการไหมครับเพราะว่าวัดหลายวัดจะไม่พูดเรื่องงานไม่พูดเรื่องวิชาหรือปัญญาแต่ว่าที่นี่เรียกว่าตรศึกขาที่เด่นมาก็จะเป็นหลักสูตรเดียวของไทยตอนนี้ก็ได้ที่บูรณาการอยู่บนฐานความจริงของชีวิต ข อ, ของสมณะและของชุมชนอาศกอันนี้ก็เป็นที่ผมช่วยสรุปเพราะว่าจะได้ไปเร็วเดี๋ยวพักกันสัก5นาทีไหมครับแล้วเดี๋ยวมาคิดเรื่องสิ่งที่เป็นโอกาสว่าวิสัยทัศน์สิบปีหน้าอยากเห็นอะไรครับอันนี้เราเรามองเห็นตั้งจุดอ่อนเพราะฉะนั้นที่ให้นี่คือ S วอตแต่นี่เราก่อนจะก่อนจะหาทางเลือกว่าเอ๊ะจะไปทางไหนจะลือจะเลิกจะรับเดี๋ยวขึ้นอธิบายนะครับให้ตั้งเป้าก่อน เราจากม 93, 93คะแนนที่ว่าเราจะใช้พุทธบุญยมไปเผยแพร่ออกไปสู่สังคมโลกให้ได้โดยการศึกษาของเราอันเนี้ยใช่ไหมครับถามว่าอาโศกแล้วอาจจะมีผลิตภัณฑ์ตามไปมีบริการสุขภาพตามไปอันนี้เป็นของแถมทางกายทางใจนี่เราจะไปยังไงก็พวกเราเสนอว่าเป็นทิศทางใหญ่ของอโศก ใช่ไหมครับในสิปีข้างหน้าที่เมื่อวานได้คะแนน93จําได้ไหมครับเพราะั้นเราจะไปในเรื่องนี้เอาการศึกษานําไม่ใช่เอาผลิตภัณฑ์นําแต่ผลิตภัณฑ์ตามไปเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของอาหารเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็แต่ว่าตรงนี้เราจะใช้การศึกษาของบุญนิยมเนี่ยไปเผยแพร่ออกไปนะครับเพราะฉนั้นเราอยากเห็นอะไรในสปีข้างหน้าสําหรับพวกเราและอยากเห็นเราเป็นอะไรในสิปีข้างหน้า เรากับสังคมโลกนะครับเราเขาแยกสปีข้างหน้าเราอยากเป็นอะไรแล้วก็สิปีข้างหน้าเราอยากเป็นอะไรให้ลองกําหนดออกมาเป็นเป้าหมายร่วมกันได้ไหมครับใช่แต่เดี๋ยวเรากลับไปห้ากลุ่มนี้มีกี่เรามีกี่กลุ่มห้ากลุ่มใช่ไหมครับห้าก็เอาห้ากลุ่มนั้นเราคิดดีกว่าจะได้จะได้เพราะว่ารู้จุดอ่อนหรือว่า้คิดไปไกลไม่เป็นจริงนะครับ มหากลุ่มที่มีกิเนี่ยนะครับเดี๋ยวพักสักสักสักสิบนาทีแล้วกันแล้วก็พูดคุยยังไงก็ได้ไม่ใช้บัตรคำไม่ใช้ห้ามใช้บัตรคำครับห้าโมงครับอ๋อเอาลิกสี่โมงะครับอ๋ อ, อยางงี้ก็โอเคผมอ๋อต้องขอโทษผมนึกว่าห้าโมงผมก็แต่เอาที่เอาที่ที่ทประชุมว่าครับจะเอา4ี่หรือ5้าจะเลิกเลยเลกมาต่อ ต่อวิชายทัศน์เอาโอเคครับใครใครเสนอให้เลิกเลยครับยกมือครับยกมือครับโอเคงั้นเสียงข้างมากแล้วครับก็อย่างนั้นมาต่อเท่าไหร่ครับ6กโมงหกโมงถึงสองทุ่มครับก็เอาตามนั้นครับตามที่ตกลงตามปิดเป็นหน้าโมงเองทีนี้มีผู้เสนออย่างนี้ครับว่ามีสมณผู้ใหญ่มาด้วย นักสังเกตการอยู่นานแล้วจะนิมนต์ท่านสักห้านาทีสิบนาทีหน่อยดีไหมครับว่าที่ท่านเห็นเป็นยังไงนันส ก, การนิมนต์เลยครับให้ให้ท่านมาอยู่เก้าอี้บางข้างหน้าดีกว่าครับจะได้มานั่งข้างหน้าดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวทุกคนจะต้องบิดเอวครับ ก็ข อ, ขอจเจริญธรรมคณะศิลปาจารย์และนักศาทุกท่านทุกคนนะอามาติดตามอามาติดตามฟังรายการที่พ่อครูเทศทุกนัดนะนัดไหนไม่ทันก็เอามาย้อนเปิดใหม่เพราะว่าส่งเขาส่งข้อมูลไปอยู่ตลอดเวลานะก็เห็นภาพการนั่งเรียนของพวกเรารู้สึกน่าชื่นชมที่ว่า ใส่ใจในการศึกษานะก็าที่ฟังพวกเรามีการทำสวอร์หรือการาสัมมนาในเชิงของการหาจุดอ่อนจุดแข็งนี่ก็ก็ดีรเรื่องที่ดีอยู่ละซึ่งเรื่องนี้ศีรษะอโศกก็ททำอยู่ประจํนะเพราะว่าเราต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราเ้า่าที่ฟังดูมันก็เป็นปัญหาโรกแตกคืออโศกคือไม่มีแรยงานนะ งานเราเยอะจนคนไม่พอยิ่งที่นี่มันนโว่าไม่จ้างนะเมื่อไม่จ้างมันก็แน่นอนนะงานมันเพิ่มแต่คนเท่าเก่าหรือบางที่ลดลงได้ซ้ํามันจะพอได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่นี่อยู่ที่คุณใบฟ้าพูดเมื่อกี้คือต้องผู้เป็นครูหรือผู้เป็นครูผู้สอนก็ต้องบูรณาการนะเพราะว่าจะไปยึดกรอบอยู่แค่ว่าการเรียนต้องเรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมมันไม่พอเงี้ยก็ต้อง สามารถบรณโการในฐานงานหรือลงไปบริหารจัดการการเรียนาสอนในฐานงานได้ด้วยแล้วก็มาสรุปบทเรียนต่างๆกับเด็กเขาอีกทีหนึ่งการศึกษาของโลกทุกนี้ถ้าเราศาึกษาข้อมูลจะรู้ได้ว่าในยังเด็กเราสิทธิ์เก่าเราไปอยู่ทางยุโรปหลายคนนะไปเป็นสภัยรฝรัง่งเนา ะ, ะสวีเดนก็มีอิตาลีก็มีเยอรมันก็มีฝรั่งเศสก็มี ก็คุยไยกันอยู่เนี่ยกลุ่มศิทธ์เก่าศิษิสาธโซนนี่เขาบอกเากาการเรียนทุกคนนี้นี่พระธรตมมาส่งข้อมูลที่ทางนักวิชาการ่วนหนึ่งเขาบอกว่าการศึกษาของไทยคงจะต้องปฏิรูปใหม่อีกครั้งเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาไทยเน้นอ่านตำราท่องตำราเสียแล้วคนได้แต่วิชาการแต่มันทำงานไม่เป็นไม่พอแถมเรียนมาแล้วตกงานเพราะ พมันจะเป็นมุ่งเรียนอปริญญาไงเป็นมุ่งเรียนอปริญญาเราจะเป็นครุศาสตร์สังคมศาสตร์หรือแม้แต่วิศวกรรมศาสตร์นี่ก็ตกงานนะทุกวันนี้ตกงานไปนดับสองเลยนะวิศวกรรมแต่ที่เขาต้องการคืออะไรภาคแรงงานปวชปวสเออภาคอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นตลาดแรงงานที่ต้องการมากไม่ต้องการปริญญาหรอกนะขอให้มีความสามารถมีทักษะการใช้ ความรู้ควาสามารถการงานอย่างแท้จริงเนี่ยกับรายได้ดีกว่าพวกจบปริญญาด้วยและหางานง่ายกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นการศึกษามันจะเป็นเรื่องที่กับตรบัดละเมื่อก่อนนี้คนไทยมีข่านต้อต้องจบปริญญาใช่ไหมแต่ประเทศก็ไม่ต้องปริญญาเขาก็สามารถทํางานได้รายได้สูงเพราะมีฝีมือเขาไม่ได้ดูที่มีปริญญาแล้วก็จะกลายเป็นนักขุคนมีคุณภาพไม่ใช่แต่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าเด็กเราเนี่ย การเรียนในชั้นเรียงเด็กนี่พูดถึงเด็กมัธยมนะที่เราสอนกันอยู่แตมาก็อยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีเมื่อก่อนนะตั้งแต่ปี40ถึง46ถึงได้ย้ายไปอยู่ศรีสะก็รู้ปัญหาอยู่เท็มตั้งแต่บุกเบิกกันมาในปี40แล้วแหะว่ามันเป็นเรองการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่มันก็ชักหน้าไมถึงหลังทุนรอนก็ไม่ค่อยมีแรงงานก็ไม่พอทุกอย่างก็เริ่มต้นกันใหม่ น, นับหนึ่งหรือเริ่มต้นจากศูนกันไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็ไม่ง่าย เพราะฉะนั้นการมาเสวนาหรือสัมมนาในเชิงนี้ก็ดีอย่างน้อยเนี่ยคนเรานะเบื้องต้นเคยรู้ปัญหาก่อนถ้าเราไม่รู้ปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งของเราเนี่ยเราก็แก้ไม่ถูกเหมือนกันอย่างน้นอยเยเรารู้แม้ยังแก้ไม่ได้ก็ยังมีเป้าใช่มว่าต่อไปต้องเอาชนะให้ได้เราต้องพยายามทําการบ้านวนี้ให้จบเราต้องแก้ขนาดให้ได้นะซึ่งธราก็ทราบว่าที่ที่นี่เพราะนั้นโยบายคือโรงปุ๋ยไม่จ้างใช่ไหมเออ ก, ก็อันนี้เรไม่ทราบอะแต่หมายถว่าโรงปุ๋ยมันเป็นภาคแรงงานที่ต้องใช้แรย ง, งานมากทีนี้สมณะที่เลยเป็นสมณะโม่ปุ๋ยบดปุ๋ยทําปุ๋ยกันใช่ไหมท่านคิดถูกนนะท่านคิดถูกที่ท่านบดมาสามสกว่าปีแล้วนะท่านจะบดที่หลังอุตมาสัก3ามปีนะพวกบวดมาใกล้ใกลปีกันนะพวกนี้สามกว่าปีเรื่องไปเป็นจะมาเป็นกำลังกรโรงงานปุ๋ยอยู่ที่นี่ใช่ไหมซึ่งจริงตําแหน่งท่านมาน่าจะเป็นนั่งเอเตยันเตเว็พระผู้ใหญ่30มสกว่าพรรษาใช่ไหม แต่ท่านก็ต้องมาทำเพราะอะไรรายงานราวะไม่พอสมรรก็ต้องลงแต่ตัวนี้ธรรมาก็มองว่าถ้ามองดีๆลึกๆนะถ้าถามว่าคารวะชายนะในชุมชนนี้มีศักยภาพเต็มร้อยทุกคนนะใช่ถึงร้อยเต็มหรืยอยัง80 70 6บเจ็สบมาว่าถ้าอรตมราวิเคราะห์ระบบของโศกนี้นะ ของเราเป็ น, นรรพบุี้เตือนเช้าทำวัดเช้าบางคนมาบางคนไม่มาสายมาคือสระฝังทำกินข้าวบางคนก็ขึ้นบางคนไม่ขึ้นหลังกินข้าวก็หายตัวไข่ตัวมันตอนกินเต็มสระแต่ตอนลงงานหาตัวไม่เจอนะอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่มาโอ้หมดปัญญาจะแก้เหมือนกันจักเฮ็ุยังไงจักนี่คือมันไม่รู้จะทำยังไงเลยนะพอกินข้าวเสร็จหายจ้อยหมดเรียกหาใครใช้งานไม่เจอนะบางทีนะ ตกเย็นมานอเย็นไม่มาทํำทัยหรอมีแต่ไปเวียนทำวัดอยู่ที่ทถวหมู่บ้านตั้งวงทําวัดเย็น <c oughs> จ้ำข้อเหนียวกันสนุกเลยนะข้อเหนียวจ้ําแจวจ้จาส้มตําส้มมะฮุ่งแซบกันอยู่ถ้าจะเทียบถ้าพูดถึงว่าถ้าจะเทียบการทํางานนะอาตมานี่อยู่เมืองจนะันทเห็นคนทํางานนี่มันมันถ้าเทียบกับพวกเราเนี่ยมันคนละเรื่องนะที่บ้านเจริญในพลเนี่ยคนงานเจริญในพลเนี่ยเปิดมอเตอร์ มันเริ่มเปิดจัดเจรานาพอเขาเปิดแต่6กโมงเสร็จเขาเจรานายแล้หยุดประมาณสัก8ปดโมงครึ่งเก้าโมงทานข้าวเสร็จเจี๋ยต่อเลยไปพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงบ่ายโมงเจี๋ยต่อถึงหกโมงเยง็นห้าโมงเยง็นหกโมงเยง็นเลิกกินข้าวประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเจี๋ยต่อไปถึงสี่ทุ่มเที่ยงคืนบางทีนี่คือเจรนในพอนะพวกคน ง, งานเจรานายพอยหรือพวกทําพอยะคือทํามากได้มากไนงะ คือเจริญพออยู่ให้ค่าแรงเป็นกะหล่ดคุณเจริได้กี่กะหล่คุณก็ได้เพิ่มจํานวนค่าแรงไปทําจํานวนกะหล่ดหรือเขาขายอาหารโตรุ่งเนี่ยโอ้โหขายยันคือพวกนี้ก็ทํางานได้เงินมันก็ทําเต็มที่เพราะว่าอยากได้เงินใช่ไหมแต่พวกเราเป็นระบบบุญนิยมทําแล้วก็ได้บุญใช่ไหมแต่บางทีบุญก็มองไม่เห็นตัวเห็นตนใช่ไหมเพราะนั้นแรงจูงใจมันก็น้อยอ่ะบางทีมันก็อเมื่อยเลยเมื่อยเด้มันก็จะเมื่อยง่ายหน่อยนะ แต่คนถ้าจะมาวิเคราะห์ให้ลึกไปกว่า น, นั้นนะในฐานะเป็นผู้บริหารมาหลัยผู้สถานเนาะในแต่ละชุมชนจะไม่มีคนอยู่สักร้อยคนเนี่ยนะตัวจักจริงๆที่บุกบั่นฝ่าฟันเอางานจริงๆหนักๆเนี่ยให้สัก 20% ไม่เกิน 30% อซอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ยรับไปเรื่อยๆนะทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่หมูจักแล้วแล้วแต่หมู กูว่าแล้วก็แล้วแต่นะส่วนหนึ่งประเภทลบเรก็เลี่ยงก็มีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชุมชนเราทวิเคราะห์ดีๆเนี่ยเราอย่ามามองแค่ปลายเหตุมามองที่ต้นเหตุแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยถามตัวเองว่าเราทุ่มตัวเองเต็มศักยภาพหรื อ, อยังไหนถามหน่อยพวกเรากัดีกว่าน้องไม่ต้องออกใครอาวานอบอเนี่ยพวกเราถือว่าเราควักศักยภาพมาเต็มร้อยแล้วอย่างทุกวันนี้ทํางานเนี่ยไห <Yeah. S 1> นใครคิดว่าตัวเองเต็มร้อยแล้วเต็มขีดแดงเต็มที่เร่งเต็มสตรีมเลยยกมาขึ้น มีไม่ถึง 10% ซนะที่ยกมือใช่เพราะนั้นตระเมอคนเราจริงๆมันต้องดึงศักยภาพเองให้เต็มที่กว่านี้นะไม่รู้ละ่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสังคมที่ต้องสู้เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมไม่มีทุนทางสังคมเท่าที่ควรแต่เขามีสิ่งนัง้นมือก็มีคนที่มีคุณภาพคนญี่ปุ่นเร่งรีบสู้ลุยทางานไม่หยุดไม่ย่อนจนตอนนี้นโยบายรัฐบาลคือให้คน ช้าลงบ้างมาฝึกให้ช้าๆมาอยู่กับความช้าบ้างเขยเลยจัดให้มีเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ชนบทใช่ไหมให้คนอยู่แบบช้าๆขี่จักรยานหรือเดินไปทาํามไม่ต้องรีบร้อนอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นนโยบายให้คนช้าลงบ้างอยากจะอยู่กับวิถีชีวิตที่เป็นเป็นความสุขธรรมชาติมากไม่งั้นมันเป็นมนุษย์จักเครื่องจักรมันก็เครียดเหมือนกันแต่ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าให้เราต้องมีเครื่องจักรนะแต่หมายถึงว่าเพื่อเพื่อแก้จุดจุดอ่อนของเราใช่ไหม แรามีจุดอ่อนตรงที่ว่าแรายงานไม่พอนะไอ้คำว่าแรงงานไม่พอเนี่ยมันมองได้หลายเชิงคือถ้าทุกคนทำงานจนเต็มศักยภาพแล้วมันก็ไม่พอจริงๆเนี่ยนะอันนั้นมันก็สุดวิสัยก็ต้องลดงานลงแต่ถ้าแรงงานไม่พอเพราะว่าเรายังทำไม่เต็มที่เนี่ยอันนี้ต้องช่วยกันคิดแก้ปัญหาว่าเราจะเพิ่มชั่วโมงทํางานขึ้นอีกสักหนึ่งสสชั่วโมงต่อ ว, วันได้ไหมจากเดิมอาจจะทําอยู่แล้วสาสี่ชั่วโมงใช่ไหมเราจะเพิ่มสักหนึ่งหรือสองาชั่วโมงได้ไหมก็อยู่ที่คนต้องวิเคราะห์ตัวเองหรือวิเคราะห์แต่ละคนออก ว่าทุกคนได้ทุ่มเทกับปัญหาตรงนี้ช่วยกันแก้ไขตรงนี้เต็มที่หรื อ, อยังใช่ไหมใช่หรืเอเปล่าทุกคนคิดตัวเองทุ่มเทเต็มที่หรื อ, อยังอะตอนนีเ้เพราะฉะนั้นการทําสวอตเนี่ยมันไม่ใช่มาทําแล้วก็ทุกอย่างก็คือจบไปแล้วก็เก็บใส่กระดาษไปพับเอาไว้ไม่ใช่มันต้องลูกต่อเนื่องต้องเตรีลูกต่อว่ า, าทุกเรามีอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วสมุทรไทยคืออะไรหาให้เจอใช่ไหม จะนิโรธมันยังไงด้วยมรรคองแปดอย่างไรตรงนี้มันอยู่ที่ว่าทุกคนต้องใช้ยุทธวิธีของพุทธเจ้าคือรษษษาชษีมาจับประเด็นของปัญหาเราจะแก้อย่างไรให้มันตรงประเด็นถ้าทุกคนทํางานอย่างเป็นเจ้าของกิจการและมองจุลชัยอยทุกคนทํางานแบบเท่าแก่นะแต่ทํางานเป็นลูกจ้างปั๊บเนี่ยมันก็ทําตามและข้าแรงเนาะแต่ทําตามแบบจิตอาสาล่ะนะ มันก็ได้ระดับหนึ่งในผะู้อาสาสมัครก็ได้ระดับหนึ่งแต่ทุกคนทํางานแบบตัวเองเป็นเจ้าของกิจการแล้วต้องการให้งานมันก้าวหน้าให้มันได้ศักยภาพปฏิคุณภาพาทั้งเบสนะคุณิตีแล้วก็ทั้งมีความตีสูงด้วยนะทั้งคุณภาพและปริมาณมันก็อยู่ที่ว่าเราก็ต้องลุยกันมากขึ้นมันอยู่ที่ว่าตรงนี้อยู่ที่ว่าเราวิเคราะห์ให้ตายเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ไม่เอาไปใช้แก้จริงๆแล้วก็ แต่จริงก็เข้าใจต้องมาเข้าใจอยู่เพราะว่าในในระบบอย่างที่บ้านราชข่ะเนี้ยคืองานมันขยายตัวมากแล้วก็โครงการระดับบิ๊กๆเนี่ยยังจะมาอีกเยอะเลยนะเนี่ยเท่าทีา่ทราบขอ้อมูลเพราะนั้นก็เตรียมฟิตสุขภาพไว้ให้ดีแต่ดูแลแต่ละคนก็อยู่ในวัยกล้วยไม้เป็นส่วนใหญ่เนาะห้าสิบขึ้นหนั้นเอน ะ, นะอะวัยกล้วยไม้กล้วยไม้แปลว่ากไกลมวย <laughs> เพอะนั่นก็ดูตัวเองก็แล้วกันนะนี่พูดปลุกใจคนหนุ่มสาวยังแข็งแรงหรอกนะคนวัยกล้ยไม้ก็เผาๆลงบ้างก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนขยันนะ ค, ะคนสูงวัยเนี่ว่าจะขยันน ะ, ะทุกวันนี้สีสาโศกนะผักที่ได้กินเพราะคนแก่ปลูกนะส่วนใหญ่คนหนุ่มสาวแมว เ, เลยแปลกจริงๆเข้าครัวก็เหมือนกันนะคนหนุ่มสาวไม่ยอมเข้าเลยครัวที่ศีษะเพราะอะไรก็ไม่ทราบไม่ชอบทําครัวกันนะ ตรงภาคเกษตรก็ไม่ชอบมีแต่คนแก่ปลูกผักขึ้นสาราให้คนได้กินทั้งชุมชนที่ได้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าเบสซ่าอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรนะแตมาพวกเราเป็นสังคมที่มาด้วยจิตจิตอาสาแล้วก็จิตสํานึกที่จะทำดีเพราะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องขนขวายหรือว่ากระตือรน้ในในการที่จะเป็นมนุษย์พัฒนาใช่ไหมเป็นคนเรียงง่ายบํารุงง่ายเป็นคนที่มักน้อยสันโดษเป็นคนข ย, ยันเป็นคนเสียสละต่างๆ ต้องถามดาวเพนว่ามนุษย์พัฒนามีอะไรบ้างดาวเพนอยู่ไหนดาวเพนดาวเพนบัททับใจมนุษย์พัฒนาอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> มีสุภโรสุโปโศนะมีอะไรอีกละ่ะทุตตะมีเยอะแยะหมดเลยเนะเาะสันเล ข, ขเาปัสสาธิกะปัจจะยะนี่ยวิริยธรรมภาคที่ความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นเรามีหลักสูตรเรามีคําสอนเรามีหลักธรรมะที่ดีอยู่แล้วก็เหลือแต่ว่า ทุกคนเอามาใช้พัฒนาตัวเองให้ได้แต่มาก็เข้าใจนะพระท่านสร้างโครงการนี้ไว้เพื่ออะไรเราฟังเราก็รู้แล้วก็คือจะพาเราไปสู่โลกุตระกันนะพาไปสู่การพ้นทุกข์เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้เน้นเรื่องของไปเอารับเอายศดอยู่แล้วใช่ไก็เ น, น้นพัฒนาให้เราปเป็นมนุษย์พัฒนาน่ะแหละเป็นคนที่มนุษย์ที่สมบูรณ์นะเป็นคนสมบูรณ์แล้วก็มีความเาจเริญทางจิตวิ ญ, ญญาณเพราะนั้นก็ จริงๆแล้วเราก็อย่าไปซีเรียสกับเรื่องรายได้เงินทองของโรงปุ๋ยหรือว่าอะไรมากเกินไปทำอย่างไรให้เรามีความสุขแล้วก็กทํางานเต็มเสบบะของเรานะมันไปวิ่งตามออเดอร์ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่กรรมกรใช่ไหมเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็ทําเต็มห้องเราเนี่ยแหละทำตามสิ่งที่มันมีจังหวะโอกาสเวลาก็ทําไปอย่าไปซีเรียสกับเรื่องของตรงนั้นมากเกินไปนะแต่ศีรีสาวโสงนี่สมณะไม่ต้องไปยุ่งโรงปุ๋ยเลย นะเพราะว่าทางคราวาเขาจัดการแทนหมดแลวเพราะสมณาก็ไม่ค่อยมีด้วยที่นู่นนะมีแค่6เองหองเองตอนนี้ก็แค่เป็นที่ปรึกษาทพาทำวัดเชา้าตีสามครึ่งรมเย็น6โมงถึงสองทุ่มขึ้นสลาฉันเทศก่อนฉันประชุมนู่นประชุมนี่นสอนเด็กหมดเวลาละแม้แต่เวลาจะพักจะไม่ค่อยมีบางทีเดี๋ยวโยมก็มาคุยนู่นนี่ปรึกษาปัญหาต้องไปวางแผนงานการเยอะแยะหมดเลย แล้วก็มีที่ไม่ใช่น้อยนะที่นู่นอ่ะประมาณส0มร้อยกว่าไร่เกือบสี่รอยไร่นะที่ดินอ่ะนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละที่ก็มีปัญหาต่างกันนะที่นี่อาจจะมีที่เยอะแต่พื้นที่การเกษตรไม่มากเท่าศรีสระนะที่นี่อาจจะมีที่400ร้อยไร่ห้ารอยไร่ก็ตามอ่ะแต่พื้นที่การเกษตรจริงศรีสระส่งมีมากกว่านะเฉพาะเราปลูกปาล์มอย่างเดียวก็เกือบเกือบร้อยไร่ละนะแต่ยังผลไมอย่างอื่นเยอะแยะมากมายที่เราทำทั้งนาทั้งสวนแต่คนก็มีน้อยกว่าที่ประมาณสัก ที่นี่มี10คนทนี่ก็มีสักสองคนถ้าอัตราป ร, ระชากรเพราะฉะนั้นที่นู้นก็ปัญหาตึงตัวเรื่องแรงงานเหมือนกันนะแต่อาศัยว่าเราก็ไม่ได้ยึดตรงที่ว่าต้องจ้างไม่ได้ก็อาศัยการจ้างแรงงานนะแม้ว่าจะเป็นบ้านยาดีแม้ว่าจะเป็นโรงปุย๋ยแม้ว่าจะเป็นคนงานสวนอะไรก็าตามก็อาศัยจ้างแรงงานก็ส่วนอีกคนงานก็เป็นวัยกล้วยไม้เหมือนกันนะคือที่อื่นเขาไม่เอาไงก็ประเภทเราก็ไปเอามา ก็เป็นโครงการให้สร้างงานให้ชนบทคนแก่มีงานทําทําถากยาไปก็เี้ยวหมากแจะๆไป <c oughs> คนบ้านพรานเขมียนบ้นปราง <c oughs> เอารถไปรับแปดโมงลงงานสี่มงเย็นเลิกขี้้งกล้วยกลับบ้านด้วยเพราะในสวนมีกล้วยมีอะไรก็เก็บไม่ได้กลับไปกินบ้านค่าแรงวันละ200ร้กว่าบาทคนแก่มีงานทําก็ถือว่าโอเคเนาะถอนกล้าวก็ถอนไปเคี้ยวหมากไปก็ไม่ว่ากัน <c oughs> ก็เป็นสังคมอบ่นอีกแบบหนึ่งคนชนบทที่แก่แล้วก็ยังมีงานให้เขาทาแบบ ตามสภาพกำลังไม่ได้เน้นที่งานมากแตนะ่เพราะนั้นนโยบายแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันที่ไหนจะเน้นต้องเอาคนมันก็ดีนะเพราะท่านพยายามเข็นศักยภาพคนที่นี่นะก็ดีเพียงแต่ว่าก็อย่าไปวิ่งตามออเดอร์เกินไปแล้วมันจะตับสุดเเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่านโ ย, ยบายของกรรมาการชุมชนต้องคุยกับท่านถักบุญดีๆว่าออเดอร์ปีนี้นี่มันมันจะโอเวอร์โหลดไปนะมันมากไปแล้วละ่ะนะถ้าจะรับออเดอร์ประเภทรับไม่อั้นนะ แต่าว่าตายคักคตายคักๆอย่างเดียวแล้วนะรถไฟอุบลกรุงเทพมันวิ่งเมื่ว่าทุกคักๆใช่ไหมเมื่อก่อนนะรถเครื่องอะไรนะไอ้น้ําใช่ไหมหลวงปู่พระลบอกรถอุบลเนี่ยรถไฟอุบลเมื่อก่อนมันไปกรุงเทพโอ้โหมันวิ่งเนี่ยกว่าจะถึงกรุงเทพมันต้องไปค้างโคราชก่อนถึงเ้ยนะแล้วมันวิ่งไปมันร้องทุกคักคทุกคักคกกรุอีสานเนีทุกคักคเพราะฉนั้นก็อย่าเอาจนทุกคักๆนะเอาแค่พอดีพอดีของแต่ละชุมชนก็ดูเอากันแล้วกัน อย่าทาจนมันโอเวอร์นะโอเวอร์โกรธก็จะก็ตับสุดมันรักษาตับไปก็ยุ่งอีกนะถือว่ากายเป็นหนูต้องมาซ่อมมาปัวกันในลงปัวสร้างเสร็จเองหงุดหงิเดี๋ยวมูแต่ปัวกันอยู่แล้วไม่ไปไหนแล้วกัเสร็จแล้วกันเอาดูขอประมาณกันแล้วกันประมาณเอานะเห็นครูตุกมาอยู่ก็สบายใจแล้วไปอย่างไรครูตุ๊กครูตุกนี่มัําจกโมกต้องชิดซ้ายให้เลยนะเก่งสร้างบรรยากาศได้ดีนะถือว่ามีนักศึกษาที่มีเขาไร่ไร่ q สูงนะ มีอารมณ์ขันได้ทุกเมื่อนะเป็นตัวสร้างบรรยากาศที่ดีแต่ซ่อนรูป น, นะดูหน้าตาเหมือนคนบ้านนอกวอกตื้อสะดือจุนเนาะโอ้โหแต่อ Q คนี่สูงมากเลยหัวไว้เพืพ่อปฏิพานเยี่ยมเลยตอนตัวบบ บ, บในในกลุ่มที่อยู่ด้วยกันแต่มาไปที่ปรึกษาใช่ไหมคุณตุกนี่โอ้ใครก็ไม่รู้จักแกนะที่ไหนจะพอแกปล่อยมุกแต่ละทีนี่ฮากันตึ ม, ต, มตึมเลยพวกนวิทย์นะพวกวอนะพวกวอนะวิทย์ไม่ใช่กลุ่มชาตเป็นกลุ่มวอ อาวก็ดีขออนุโมทนาทุกคนที่มาเข้าหลักสูตรนี้แล้วก็น่าจะเป็นรุ่นแรกที่กรุยทางให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปนะไปได้ดีนะแต่มาก็เอาใจช่วยทุกๆคนให้พัฒนานะไปตามทิศทางที่พระท่านพาทรนะแม้จะไม่ได้ปริญญาได้แค่อะไรนะปริญญาตรีเราไม่ได้เพราะเราไม่มีวุฒิใช่ั้ยเราก็ได้ปัญญาบัตรได้ปริญญาทางธรรมะนะ เปลี่ยนยาจากสถาบันอาสมศินของอาจารย์อาจาอาจะไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์บางคนไม่มีพุธทธิหมหกใช่ไหมสอบเทียบได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็ขอให้คนตั้งใจนะลองดูซิอาจารย์อเนกก็ตามคุณพิศิลปก็ตามหนึ่งฟ้าก็ตามหรือใครที่มาช่วยกันนี่โอ้โหไม่ใช่ธรรม ด, ดาช่วยกันรุ้นหน้าดูเห็นภาวะของการเอาจริงเอาจังแล้วน้ายกย่องสรรเสริญเพราะว่าการสาธแบบนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มันจะทําให้สังคมไทยมี ทางออกที่ดีคิดว่าน่าจะเป็นอะไรอีกอันหนึ่งที่พาะท่านพยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นนะเอาละให้กำลังชทุกคนสู้ต่อไปนะ <S <S เดี๋ยวจะลากลับเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกเราจะสำเารถจจิงหโมงใช่ไหอัตอมาก็เดี๋ยวจะต้องให้หมอแตง่แตงไทยนวดให้ก่อนนะมาแล้วไม่ให้เสียเที่ยวเราจะลากลับเลยมีหมอประจาตัวอยู่อุบนลนะลี่นะอาหลวง ตาของไทยก็มาด้วยกันนะเป็นมือปืนประจำตัวมือปืนในวัย 86, 85ล้ 84, 85แล้วอขอให้ทุกคนสู้ต่อไปอย่าถอย